พวกเราที่มาวัดนีเข้ามาหาพระพุทธศาสนาเป็นพวกที่มาหาของจริงของจริงนี่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาคือทรัพสมบัติหรือความสุขที่เป็นของแท้จริงนี่อยู่ในพระพุทธศาสนาถ้าเราไปหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกมืงกายเนี่ยเรียกว่าเรากำลังไปหาของปลอมไปหาทรัพย์ปลอมไปหาสมบัติปลอมไปหาความสุขปลอมเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวนั่นเองทรัพยสมบัติเข้าของเงินทองที่เราหากันอยู่นี่าลาภยศเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกเน้อง่งายเนี่ยเป็นของปลอมเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความทุกข์เวลามันเสื่อมเวลาเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมสรรเสริญเสื่อมความสุขทางตาหูจมูกเน้อง่งายบางคนยังถึงอยากจะฆ่าตัวตายนั่นแหละเรียกว่าของปลอมความสุขปลอมสมบัติปลอม ตายไปก็ไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเงินทองมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเอาไปไม่ได้เลยจึงเรียกว่าเป็นของปลอมเป็นของชั่วกราบเป็นของที่พลิกเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ตลอดเวลาเวลาใดที่เราไม่สามารถหามันได้หรือเสียมันไปเวลานั้นมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา นี่คือการหาของปลอมกันหาความสุขปลอมถ้าเป็นไก่ก็ไก่ไก่ที่ได้พลอยแต่เขียพลอยทิ้งไปเอาแต่ตัวนอนตัวไส้เดือนไก่มันชอบกินนอนกินไส้เดือนอต่มันกินได้แล้วมันก็ต้องหามาเรื่อย ถ้ามันได้พลอยเม็ดหนึ่งนี่มันอาจจะไม่ต้องหาใส้เดือนไปจนวันตายเอาพลอยไปซื้อไปแลกใส้เดือนได้ตลอดชีวิตสิ่งที่พระพุทธศาสนามอบให้กับเราเนี่เป็นความสุขแท้จริงเป็นสมบัติที่แท้จริงเป็นเหมือนเพชรพลอยที่จะอยู่คู่กับเราเป็นของเราไปตลอด ไม่มีวันสิ้นสุดเราในที่นี้ก็คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสมบัติชั่วคราวเหมือนกันเราได้สมบัติมาได้ร่างกายนี้มาจากพ่อจากแม่เป็นต้นทุนในการที่เราจะหาของปลอมต่างๆ ร่างกายนี้ก็เป็นต้นทุนปลองเพราะร่างกายนี้เดี๋ยวมันก็ต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมมันมาจากสี่ทิศด้วยกันร่างกายมาจากดินจากน้ำจากลมจากไฟพอามาผสมกันก็กลายเป็นอาการสามสิบสองขึ้นมาเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำทะเลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเนือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดเนี่ยเป็นอาการสามสิบสอง ร่างกายนี้มีแค่นี้ไม่มีตัวเราตัวเราไม่มีในร่างกายนี้ลองผ่าร่างกายนี้ออกมาดูชำแหละออกมาดูแยกแยกชิ้นส่วนออกมาดูเหมือนกับรถยนต์เนี่ยไม่มีคนขับในรถยนต์คนขับเพียงแต่เข้าไปขับชั่วคราวตัวรถยนต์นี้ก็มีแค่ชิ้นส่วนต่างๆัง ใ, ใจผู้เป็นขับเคลื่อนร่างกายนี้ก็ไม่ได้อยู่ในร่างกาย ใจเป็นผู้ได้กระแสความคิดนี้ส่งเข้ามากระตุ้นประสาทร่างกายนี้มีสมองไว้รับคำสั่งจากใจอีกทีหนึ่งใจสั่งให้ยกแขนยกขาให้หายใจเข้าหายใจออกให้ทำอะไรต่างๆใจเป็นผู้สั่ง ให้ร่างกายนี้เป็นผู้รับคำสั่งใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจนี่แหละคือตัวเราเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายมาที่นี่กันใช่ไหมกาเป็นคนสั่งให้ร่างกายมาที่นี่ก็เราเราสั่งด้วยความคิดเนะี่ยวันนี้จะมาที่นีนะ่พอถึงเวลาก็บอกให้ร่างกายนะขึ้นรถนะขับรถมา อยากจะเอาข้าวของอะไรก็นขนมาเนี่ยใจเป็นคนสัง่งร่างกายเป็นผู้รับคําสัง่งใจ น, นี่แหละเป็นผู้ที่จะมารับประโยชน์จากพระพุทธศาสนารับประโยชน์จากราบยศสรรเสริญรับของปลอมหรือรับของจริงอะไรขใจใจของคนส่วนใหญ่จะไปรับของปลอมกัน คนที่ไปหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นพวกหาของปลอมกันหาขอหาความสุขปลอมหาสมบัติปลอมเพราะว่ามันจะมีวันหมดไปนั่นเอง <Yeah. S 1> พะความสุขหมดไปความทุกข์ก็เข้ามา <Yeah. S 1> เวลาแก่เวลาไม่สามารถ หาความสุขทางร่างกายได้ก็มีแต่ความทุกข์อยู่บ้านก็อดอัดเครียดน้ำขาดใจว้าเวเศร้าสร้อยหงอยเหงาเขรียกว่าโลกซึมเศร้าเป็นมากๆก็อยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้เพราะตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดี แต่หมกมิลล์กายก็ไม่ดีเนี่ยเราจึงเรียกว่าเป็นความสุขปลอมเป็นทรัพย์ปลอมพอร่างกายตายไปสมบัติตั้งหลายที่มีอยู่นี่ก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้ร่างกายก็เป็นของปลอม ร, ร่างกายก็เอาไปคืนเจ้าของเดิม คืนดินคืนน้ำคืนนมคืนไฟไปเวลาร่างกายตายไปถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันจะน้ำต่างๆที่มี่ในร่างกายมันก็จะไหลออกมาน้ำหนองน้ำอะไร เ, เป็นคนตายไปบางทีก็าต้องอุดรูจมูกไว้เพราะมันจะมีน้ำไหลออกมาทางรูจมูก น้ำก็ไหลออกมาลมก็ระเหยออกไปลมก็คือกลิ่นต่างๆไฟก็คือความร้อนในร่างกายก็หายไปร่างกายคนตายกับร่างกายคนเป็นนี่มีความมีความร้อนไม่เหมือนกันร่างกายคนตายนี่เย็นลองไปจับดูเลยร่างกายคนเป็นนี่ร้อนไม่เย็น ก็มีธาตุไฟอยู่พอธาตุทั้งสี่นี่แยกกันน้ำออกไปลมออกไปไฟออกไปร่างกายก็เหลือแต่ของที่เป็นของแข็งที่ที่จะผุพังไปกลายเป็นดินไปถ้ า, าไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้านี่คือธาตุดินฮะ นี่คือร่างกายมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนตัวตนนี่อยู่ที่ใจใจเป็นคนมายึดมาติดแล้วก็มาเคลมมาเรียกว่าเป็นตัวเราเหมือนซื้อรถมาแล้วก็เรียกว่านี่รถของเราเนี่นี่เราไปซื้อร่างกายจากพ่อแม่มาพ่อแม่พ่อแม่เขาตั้งท้อง พ่อแม่ก็ผลิตร่างกายเราก็ไปจับจองเลยพอดีเรากำลังหาร่างกายอันใหม่ ร, ร่างกายขาอันเก่าของเราตายไปแล้วเราก็เล่ยล่อนมาหาร่างกายอันใหม่ก่อนจะมาถึงร่างกายอันใหม่ก็อาจจะต้องแวะไปใช้ใช้หนี้หรือไปรับรางวัลถ้าทำบุญก็ไปรับรางวัล ได้ไปเที่ยวได้ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ก่อนท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าไปทำบาป ก, ก็เหมือนกับไปเป็นนี่ก็ต้องไปใช้นี่ไปติดคุกติดตารางในอบายไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปตกนรกหรือไปเป็นเดรัจฉานก่อน ก่อนจะมาได้ร่างกายของมนุษย์ต้องไปได้ร่างกายของเดลชาญก่อนาะไปทำบาปเพราะว่าบาปก็คือการฆ่าคะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพุติผิดตัวเวณนีโกหกหลอกลวงอันนี้เป็นบาปทำแล้วเป็นหนี้เหมือนกับทำผิดกฎหมาย ทำติดกฎหมายแล้วต้องไปติดคุกติดตารางผู้ที่ทำบาปก็ต้องไปติดอบายติดนอบายต้องไปเป็นเปดเป็นผีไปเป็นสัตว์นรกหรือไปเป็นเดรัจฉานพอหมดหนี้แล้วก็ค่อยกลับมาหาร่างกายของมนุษย์พอมาพบร่างกายที่พ่อแม่กำลังก่อสร้างขึ้นมา ก็มากับจับจองเอาไว้ก็เลยแม่เลยตั้งขันขึ้นม า, าการตั้งขันของแม่ได้ น, นี้ต้องมีสามส่วนมีส่วนของพ่อส่วนของแม่แล้วก็มีส่วนของเราคือดวงวิญญาณของเรามามาพร้อมกันก็จะเกิดเป็นก็จะมีจุดติ มีการเริ่มการเกิดของร่างกายขึ้นมาแล้วก็อาศัยอาหารของแม่ในร่างกายแม่ในสายเลือดเลือดนี้ก็มีดินน้ํานมไฟเข้ามาผสมมาสร้างอวัยวะต่างๆสร้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพอสร้างครบแล้วก็ ไม่สามารถอยู่ในท้องแม่ได้นะเพราะมันคับแคบอยู่ต่อไปก็เดี๋ยวก็ท้องแตกก็ต้องคลอดออกมาตอนที่คลอดออกมานี่เราเราติดอยู่กับร่างกายนี้แล้วเราอยู่ในร่าง ร, ร่างกายกับเรานี่เป็นเราขับมันแนละ้วพอออกมาเราก็มาหัดขับร่างกายนี่หัด หัดเดินหัดนั่งหัดนอนหัดกินหัดดิื่มมันก็หัดขับรถหัดไปเรื่อยๆพอโตขึ้นมาก็ก็ชนานาญขึ้นเก่งขึ้นพอ โ, โตเต็มที่แล้วก็เราก็ทําอะไรของเราเองได้ไม่ต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่เขาถึงเรียกว่ายิ่งโตยิ่งดือ้อ พ อ, อโตแล้วก็ไม่ต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่ก็อยากจะทำอะไรตามนิสัยเดิมก็จะทำพอแม่มาพ่อแม่มาบอกให้ทำที่ไม่ถูกกับนิสัยก็ไม่ทำก็เลยเรียกว่าดือ้อพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกทำดีแต่ลูกก็มีนิสัยไม่ดีเต็ดตัวมากันทั้งนั้นพวกที่มาเกิดนี่มีนิสัยไม่ดีทั้งนั้นนิสัยชอบเที่ยวชอบเล่นชอบกินชอบดืม่ม นิสัยเข้าวัดนิสัยรักษาศีล น, นิสัยปฏิบัติธรรมนี่ไม่ค่อยมีหรอกมีน้อยมากลูกที่มีนี่เขาถือว่าเป็นอภิชาตบุตรนะอเป็นลูกที่เหนือพ่อเหนือแม่พ่อแม่จะไม่ได้ไม่มีความสามารถที่จะสอนให้ลูกเข้าวัดไปบวชได้หรอกน้อยพ่อแม่ไม่อยากจะให้ลูกบวชหรอกพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกมีศีลและธรรมก็พอให้เคารพกฎหมาย ให้ขยันทรมาหากินหาเงินหาทองพ่อแม่ก็มีความรู้แค่นี้มีนิสัยแค่นี้เองแต่คนที่มีนิสัยที่จะเข้าวัจะรักษาศีลจะบวชนี่เป็นเทวะเป็นพวกที่พวกที่เรียกว่าเหมือนกับอัจฉริยะอัจฉริยะทางจิตใจคนที่ชอบทาบุญคนที่ชอบรักษาศีล คนที่ชอบภาวนาเนี่ยเป็นจิตอัจฉริยะหรือจิตอริยะก็ดันเป็นพวกอริยะบุคคลเก็ถึงเรียกว่าเป็นอภิชาตบุตร เ, เป็นลูกที่เก่งกว่าที่ดีกว่าพ่อกับแม่เยพ่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สอนให้ลูกเป็นมหาจากักรพรรดิแต่ลูกบอกว่าไม่ดีเนเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่า ก็ร เ, เนี่ยดื้อก็ดื้อเหมือนกันแต่ดื้อไม่ดื้อไปในทางที่ดีอันนี้เรียกว่าดื้อไปในทางที่ดีถ้าไม่ดื้อก็ไม่ได้ดีเด็กดื้อบางคนก็อยากไปว่าเขาเขาดื้อไปในทางที่ดีแค่ก็ดื้อไปแต่น้อยเด็กส่วนใหญ่มนดื้อไปในทางที่ไม่ดีกันให้ไปเรียนหนังสือก็ไม่อยากเรียนหนีโรงเรียน ใหไปทํางานก็ไม่อยากจะทําไปเที่ยวให้รักษาศีลก็ไม่รักษาศีลไม่ให้ให้ละเว้นจากกระ บ, บายอมุกก็ไม่ละพ่อแม่ถึงปวดหัวกับลูกแบบนี้<ม>ลูกนด้แล้วก็ก้าวแล้วพอพ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนก็โกรธก็ก้าวเล้าใส่พ่อใส่แม่ พ่อแม่ก็เสียใจแต่พ่อแม่ก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาเขาเป็นอย่างนี้มาเขาไม่ได้เป็นลูกของเราลูกเขาเขาเป็นเพียงอาศัยร่างกายที่เราผลิตนี้ให้เขามาใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือตัวเขานี้มีกรรมเป็นผู้ให้กําเนิดกรรมก็คือนิสัยการกระทาต่างๆ ที่เขาทำจนติดเป็นนิสัยเขาเรียกว่ากรรมมีกรรมเป็นผู้ให้กําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์ก็คือกรรมดีกับกรรมชั่วถ้าพวกทํากรรมดีก็เป็นพวกเผ่าพันุ์ดีพวกที่ทาชั่วก็พวกเผ่าพันุ์ชั่วมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเนี่ยเขาอาศัยการกระทําของเขานี่แหละเป็นที่ อาศัยของเขาเขากินเหล้าเพราะเขาต้องต้องอาศัยเหล้าเป็นที่พึ่งเขาเล่นการพนันเขาต้องอาศัยการพนันเป็นที่พึ่งเพราเวลาเขาเล่นแล้วเขามีความสุขเขาดื่มสุราแล้วเขามีความสุขแต่เขาไม่เห็นโทษของการดื่มสุราหรือของการเล่นการพนันที่จะไปทําให้เขาไปทําบาปต่อไป เมื่อทำแบาปแล้วเขาก็ไม่เห็นถึงโทษที่จะตามมาต้องไปติดคุกติดตารางตายไปก็ไปติดคุกในโลกที่ยอีกต่อหนึ่งติดติดคุกสองชั้นเวลายังไม่ตายทําผิดกฎหมายก็ติดคุกติดตารางเวลาตายไปก็ไปติดคุกในอบายนี่คือดวงวิญญาณที่มาครอบครองร่างกาย ที่เราเรียกว่าตัวเราเนี่ยคือดวงวิญญาณเนี่ยดวงจิตเนี่ยพอมาอยู่ในร่างกายเราก็เรียกว่าดวงจิตดวงใจก็ อ, ออกจากร่างกายไปเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณตัวเดียวกันเป็นมนุษย์ล่องขนใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตามีแต่กระแสของความคิดมีแต่กระแสของความรู้ใจนี้เป็นผู้ รู้สึกนึกคิดร่างกายนี้ไม่รู้สึกนึกคิดร่างกายนี้เหมือนต้นไม้ใบหญ้าเขาไม่รู้สึกนึกคิดเวลามีอะไรไปแตะเขาไปจับเขาไปตัดเขาเขาไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดความรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดนี่อยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราตัวเรานี่แหละที่ไม่ตาย ตัวเราเนี่ยที่จะเอาสมบัติที่แท้จริงไปได้เอาความสุขที่แท้จริงไปได้ <Yeah. S 1> สมบัติปลอมนี้เราเอาไปไม่ได้ความสุขปลอมนี้เอาไปไม่ได้ <Yeah. S 1> พอร่างกายนี้ตายแล้วก็ไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้ <Yeah. S 1> ความสุขก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาสมบัติที่หามาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็เอาไปไม่ได้ ถ้าอยากจะเอาสมบัติไปก็ต้องเอาไปทําบุญเอาไปทําทานอย่างวันนี้โยมเอาเงินไปซื้อหนังสือธรรมะมาจากเนี่ยนีย่เรียกว่าไปเปลี่ยนสมบัติจากสมบัติปลอมเป็นสมบัติจริงบุญนี้เป็นสมบัติจริงบุญนี้เป็นสมบัติที่เราจะใช้ในโลกทิพย์เนี่ยที่เราไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ได้ก็เพราะเรามีบุญพาไป มีบุญตัวจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่าเครื่องบินจ่ายค่าอาหารถ้าไม่มีบุญติดตัวไปก็ไปเป็นขอทานขอทานก็ต้องมารอรับส่วนบุญของญาติพี่น้องเวลาญาติพี่น้องทําบุญให้ก็อุทิศไปเวลานั้นก็ได้บุญได้เงินไปใช้ก็เป็นเงินที่ให้ขอทาน บุญอุทิศนี้ก็เป็นบุญที่เราไม่สามารถให้ได้มากเหมือ น, นเงินที่เราให้ขอทานที่เราไม่สามารถให้มากได้เพราะเรารู้ว่าให้มากเขาก็รักษาไว้ไม่ได้นล้อเดี๋ยวเขาก็ใช้หมดก็ต้องค่อยๆให้ให้เขามีกินมีอยู่ยวพวกที่ มีทรัพย์แล้วไม่ยอมทำบุญเนี่ยเวลาตายไปก็เลยไม่มีทรัพย์แท้ติดตัวไปบุญนี่เป็นทรัพย์แท้ติดตัวไปเป็นทรัพย์ที่เราไปใช้ในโลกทิพย์ได้ถ้าเรามีบุญเราก็ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ได้ถ้าไม่มีบุญเราก็ต้องไปท่องเที่ยวในอบายแทนไม่เป็นขอทานไม่เป็นผี คือตัวเราตัวที่จะรับความสุขที่แท้จริงหรือรับความสุขที่ปลอมรับสมบัติที่แท้จริงหรือรับสมบัติที่ปลอมตัวนี้แหละเป็นตัวที่ไม่ตายไปกับร่างกายตัวนี้เป็นตัวที่จะเอาสมบัติแท้จริงไปก็ได้หรือไม่เอาไปก็ได้ถ้างโง่ก็มักจะไม่เอาไปกัน พอหลงติดกับสมบัติปลอมกันติดกับความสุขปลอมเรื่องราเงินไปทำบุญเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่าใช่ไหมเอาเงินไปเที่ยวสนุกสนานแต่มันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวความสุขชั่วคราวแล้วมันเป็นโทษมันทำให้ติดด้วยพอเที่ยวแล้วติดพอไม่ได้เที่ยวแล้วก็ทุกข์พอไม่มีเงินเที่ยวก็จะทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าเอางินที่จะเที่ยวนี้ไปทําบุญแล้วมันจะไม่ติดเที่ยวไม่มีเงินเที่ยวมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะเวลาทําบุญนี้มันได้ความสุขทําบุญแล้วมีความสุขใจไม่มีความอยากไปเที่ยวอยู่บ้านก็ได้อยู่บ้านเฉยๆสบายกว่ามีเวลาว่างอยู่บ้านจะได้ทํางานในบ้านบ้างบ้านช่องบางทีไม่ค่อยสะอาดเรียบร้อยงัวแต่ไปหาเงินงัวแต่ไปเที่ยวกัน พอให้บ้านลูกลราออยู่บ้านมาจัดการบ้านเราดีกว่าทําความสะอาดบ้านแลเรอมาทาสีใหม่มาปรับปรุงใหม่มาต้องซ่อมแซมมันใหม่มีเวลาอยู่บ้านได้แต่ถ้าเที่ยวแล้วมันจะติดมันจะอยู่ไม่ติดบ้านแล้วพอไม่มีเงินเที่ยวมันก็จะทุกข์แล้วก็อาจจะทําให้ไปทําบา ก็อยากจะหาเงินมาเร็วๆหามาแบบง่ายๆหามาแบบมากๆก็ทำบาปมันง่ายที่สุดทำผิดกฎหมายช่อราดบังหลวงอันนี้มันง่ายพอมีทำหนังแล้วก็เรียกใต้โตได้ทำไม่ให้ใต้โตก็ไม่เซ็นสะอย่างคนที่ก็ต้องให้เซ็นก็ต้องยอมจ่ายใต้โต นี่เป็นโทษของการเที่ยวของการใช้เงินซื้อความสุขต่างๆแล้วทำให้ใจเราเครียดเวลาที่เราไม่มีเงินใช้แล้วทำให้เราต้องไปทำบาปในการหาเงินมาใช้แต่ถ้าเราเอาเงินมาทำบุญนี้เราจะไม่มีความอยากที่จะใช้เงินไปเที่ยว เวลาไม่มีเงินเที่ยวเราก็อยู่บ้านพักผ่อนสบายกว่าการอยู่อยู่บ้านได้นี้สบายกว่านะไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องออกไปติดรถนั่งอยู่ในรถติดเป็นชั่วโมงชั่วโมง <Yeah. S 1> อยู่บ้าน <Yeah. S 1> ที่ไหนสบายกว่า บ, บ้าน <Yeah. S 1> ทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมหมดจะนอนก็ได้จะนั่งก็ได้แต่ที่อยู่ไม่ติดบ้านเพราะมันติดเที่ยว <Yeah. S 1> มันก็อยู่ไม่ได้ แากคนที่ทำบุญแล้วจะอยู่บ้านได้จะอยู่ติดบ้านเพราะบุญจะทำให้ใจไม่มีความอยากเที่ยวมันอิ่มอิ่มจากการทำบุญแล้วก็ความอยากเที่ยวก็หายไปเพราะไม่ทาเพราะไม่ไปเที่ยวเพราะไม่เอาเงินไปเที่ยวกันเมื่อไม่เที่ยวมันก็ไม่นิสัยเที่ยวมันก็จะหายไปนี่แหละคือ ทรัพย์ที่แท้จริงคือบุญทาบุญแล้วใจเรามีความสุขแล้วตายไปความสุขนี้ก็จะส่งเราไปสวรรค์เพราะคำว่าสุขก็คือสวรรค์นี่ถ้าเที่ยวก็จะทุกเวลาไม่ได้เที่ยวก็จะส่งเราไปอาบายนี่คือเรื่องของความสุข แท้ความสุขปลอมสมบัติแท้สมบัติปลอมถ้าเราไปหาลาบยกสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นการนี้เรากำลังหาของปลอมกันของที่จะต้องมีวันหมดของที่จะต้องมีวันจากกันของต่างๆที่เรามีอยู่ในเนี้ยในโลกนี้ตอนนี้ต่อไปเราจะต้องเสียมันไปนหมด เวลาร่างกายนี้ตายไปนี่ทุกอย่างที่ได้มากับร่างกายนี้ก็หมดไปเงินทองข้าวของสามีภรรยาบุตรธิดาเกียรติยศตำแหน่งอะไรต่างๆหมดหายไปหมดสิ่งที่เอาไปได้ก็นี่แหละของบุญแทอความสุขแท้เงินทรัพย์สมบัติแท้ ถ้าไม่ท้าไม่ได้ถ้าไม่ได้หาไว้ก็ไม่มีติดตัวไปความสุขแท้สมบัติแท้ก็คือเนี่ยสิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนให้เราทำกันเนี่ยเป็นการหาความสุขแท้หาสมบัติแท้ให้ทำบุญเพื่อจะได้มีสมบัติติดตัวไปมีเงินทองติดตัวไปให้รักษาศีลจะได้สมบัติแท้ไป มัอะไรก็คือได้เป็นเทพเป็นพระอริยะเจ้าได้ถ้าไม่ทําไม่รักษาศีลก็ไปไปเป็นขอทาน <c oughs> ไปตกนรกเนี่ยไปติดคุกติดตารางไม่มีสมบัติติดตัวไปมีแต่นี่ติดตัวไปเวลาทำบาปนี่เหมือนกับไปก่อหนี้พอตายไปแล้วก็ต้องไปใช้นี่ในอบาย เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ให้เขามาฆ่าแทนค่าเป็ดฆ่าไก่ก็กลับไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่ให้เขามาฆ่านี่คือสมบัติทางพระพุทธศาสนาความสุขทางพระพุทธศาสนามีอยู่สามขั้งทาบุญก็จะได้สมบัติของเทวดาได้ความสุขของเทวดา ในถ้ารักษาศีลก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางซื้อประกันภัยไว้เหมือนซื้อประกันรับรองได้ว่าตายไปไม่ไปติดติดคุกไนยบายแล้วถ้าภาวนาได้ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาลงหาความเปราะหาของปอมอยู่เรื่อยหาอริยสัมภาระ การภาวนานี้เป็นการหาอริยทรัพย์ทรัพย์ของผู้ที่ประเสริฐทัพย์ของผู้ที่เจริญผู้ที่รู้ว่าอะไรคือทัพย์แท้อะไรคือทรัพย์ปลอมคือพระอริยบุคคลพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นี่อันเป็นผู้ที่รู้ว่าทรัพย์สมบัติที่แท้จริงนั้นคืออะไระ รับสำบัติที่แท้จริงก็คือความสงบของใจที่เกิดจากการระงับดับความอยากต่างๆความอยากนี่แหละเป็นตัวที่กวนใจเป็นตัวที่ทําให้ใจไม่สงบเหมือนน้ําถ้าเราไปคอยกวนมันน้ํามันก็ขุน่นมันก็มัวมันก็ไม่นิ่งถ้าเราไม่ไปกวนมันน้ํามันก็จะนิ่งมันก็จะใสตะกอนมันก็จะตกลงไป พระ อ, อริยะเจ้านี้ท่านจะเห็นความอยากต่างๆเป็นตัวที่ทำให้ไม่ได้ความสุขที่แท้จริงความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสท่านก็ตัดไปความอยากได้ลามยศสนเสริญก็ตัดไปมาบวชเป็นพระเนี่ยเป็นพวกที่เป็นพวกพระจะไปเป็นพระ อ, อริยะกัน การหาความสุขปลอมหาสมบัติปลอมไม่ห า, าลาภยศสรรเสริญไม่หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแต่จะมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบมาปีกวิเวกมาอยู่ในป่าในเขาไปอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆเพราะถ้าอยู่ใกล้แล้วมันมากวนใจมาล่อใจ เดี๋ยวก็ทนไม่ไหวอดไม่ได้อยู่ใกล้รูปเสียงเดี๋ยวก็อยากจะเสพที่บ้านมีของใกล้ตาหูจมูกลิ้นกายตู้เย็นก็มีทีวีก็มีมือถือก็มีเดี๋ยวนี้มีครอบของนี่เป็นความสุขปลอมทั้งนั้นแต่ปิดกันเหมือนยาเสพติด ความสุขจริงไม่เอากันความสุขจริงให้มาอยู่วิเวกอยู่คนเดียวให้มาทำใจให้สงบอยู่ไม่ได้ทรมานเพราะเหมือนคนติดบุหรี่ติดเหล้าติดกาแฟพอไม่ได้กินเหล้ากินกาแฟไม่ได้สูบบุหรีห่มันหงดเหงี่มันลำคานใจคนที่ติดลูกเสียงกินรถจริงมาอยู่วัดไม่ได้มาปีกวิเวกมา ทำใจให้สงบไม่ได้มาละความอยากไม่ได้ต้องฝืนต้องบังคับถึงจะทำได้ถ้ารู้ว่าสิ่งที่เราติดอยู่นี้มันเป็นพิษเป็นภัยกับใจของเราราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี่มันเป็นภัยกับใจเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดเราจะต้องเสพมันไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ร่างกายนี้ตายไปก็จะต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่เพื่อจะได้มาเสดใหม่มาหาลาบยศสรรเสริญสุขกันใหม่ถ้าเราตัดได้ไม่มีไม่ไม่มีความอยากในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นล้นเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมีร่างกายถ้าเราตัดความอยากเหล่านี้ได้ใจของเราก็จะสงบขึ้นมา แล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงเพราะความสุขนี้มันจะอยู่คู่กับใจเราไปตลอดมันจะไม่จากไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายความสุขนี้ก็ยังอยู่เราสามารถหาความสุขนี้ได้ตลอดเวลามีได้ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักวิธีหาวิธีหาก็คือเลิกหาความสุขเลิกความอยากต่างๆนี้เท่านั้นเอง ถ้าเลอกความอยากได้ความสุขก็จะเกิดขึ้นมาอย่างพระโสดาบันก็เลิกความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ท่านก็ไม่ต้องอท่านก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายท่านจะสุขจะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตาย เพราะท่านไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายความแก่ความเจ็บความตายนี้ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยต่อจิตใจแต่สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแม้แต่ร่างกายคนอื่นก็ยังทำให้เราเป็นพิษกับเราได้ถ้าเราไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเช่นคนที่เรารักเราก็ไม่อยากให้เขาแก่ไม่อยากให้เขาเจ็บไม่อยากให้เขาตาย พอเห็นเขาแก่เห็นเขาเจ็บเห็นเขาตายก็เสียใจทั้งๆที่ไม่ใช่เป็นร่างกายของเราเสียได้ซ้าไปเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ได้ทําให้เราเสียใจแต่ความอยากไม่ให้อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายต่างหากคนที่เราไม่รักนี่เราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเขาแก่เจ็บตายเราไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร เพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระโสดาบันท่านเห็นโทษของความอยากตัวนี้ท่านก็เลยไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครท่านก็เฉยได้ใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายก็เรื่องของเขาร่างกายของท่านจะแก่จะเจ็บจะตายก็เรื่องของมันท่านไม่เลยไปยึดไปติดว่าเป็นตัวของท่านท่านละท่านรู้ ท่านรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวของท่านนี่คือการสร้างความสุขด้วยการละความอยากส่วนพระ อ, อนาคามีพระส ก, กิฎาคามีท่านก็ละความอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางเสพกา ร, รทางร่วมหลับนอนกับผู้อื่นท่นก็ตัดมันเลิกมันพอเลิกแล้วก็อยู่คนเดียวสบายไม่เหงาไม่ว้าวเว คนที่ยังต้องมีแฟนมีคู่ครองนี่เวลาอยู่คนเดียวรูวทุกข์เหรอว้าวเวต้องมีแฟนต้องมีคู่ครองเพราะยังมีความอยากอยู่แต่ถ้าตัดความอยากอันนี้ไปได้ก็สบายอยู่คนเดียวสบายคู่ครองจะไม่อยู่ก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องการมีคู่ครองแล้วจิตก็จะสงบขึ้น จิตสงบจิตมีความสุขกับความสงบก็เลยไม่เดือดร้อนกับการมีคู่ครองอันนี้แหละเป็นการตัดความอยากต่างๆป้าหลานก็ตัดความอยากอยากอยากเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาตัดความตัดตัวตนขึ้นมาอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากเป็นอะไรนี่ไม่มีในใจของป้าหลาน พอมันรู้ว่ามันเป็นทุกข์พออยากเป็นใหญ่เป็นโตแล้วไม่ได้เป็นมันทุกข์ไหมในเวลาเป็นแล้วเวลามันหมดไปมันมันทุกข์ไหมท่านก็รู้ท่านก็ละตัวตนทําตัวเป็นภาคิริวดีกว่าทําตัวเป็นขอทานดีกว่าสบายกว่านี่คือการหาความสุขที่แท้จริงะ หาความสุขแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เคยหาความสุขปลอมมาก่อนยี่สิบเก้าปีนี่ของชีวิตตอนต้นนี่หาความสุขปลอมมาจนวันหนึ่งก็เห็นว่ามันเป็นของปลอมเพราะามันจะต้องเสื่อมเวลาร่างกายแก่เจ็บตายความสุขปลอมเหล่านี้ก็หมดไปก็เลยไปหาความสุขจริงหนีออกจากวังไปเพราะถ้าบอกให้ ถ้าขออนุ ญ, ญาตก็คงจะไม่ได้ไปเพราะคนที่เขาหลงติดอยู่กับความสุขความคิดว่าเป็นความสุขจริงกับเห็นว่าการไปหาความสุขจริงไปหาความไปเป็นการไปหาความทุกข์กันไม่มีใครอยากจะหนีไปอยู่ในป่าไปบาเพ็ญไปรักษาศีลไปภาวนากันก็คิดว่าเป็นความทุกข์กันอยากจะอยู่ในบ้านในเมืองกัน ป่าเขาจริงไม่ค่อยมีคนอยู่กันในเมืองนี่คนแน่นล้ น, นเลยยังกําลังนวดเนี่ยที่ไม่พอก็สร้างมันเป็นตึกสูงๆไปเลยอยู่กันตึกหนึ่งเป็นร้อยได้เป็นเหมือนรังผึ้งเพราะอยู่ในเมืองมันมีรูปเสียงกลิ่นรอดให้เสพกัน อยู่ในป่ามันไม่มีรูปเ ส, สียงกลิ่นรดแต่คนที่ต้องการเล i, ิกเสพรูปเสียงกลิ่นรดก็ต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรดมันถึงจะเลิกได้ถ้าอยากจะเลิกบุหรี่ไปอยู่ในป่าได้มันไม่มีบุหรี่ขายเดี๋ยวมันก็เลิกได้เองอยากจะเลิก <MS> สุราเนี่ไปอยู่ในป่าที่ไม่มีสุราขายอยู่ไปเดี๋ยวมันก็เลิกได้ไม่ยากหรอกมันอยู่ใกล้มันถึงเลิกไม่ได้ถ้าอยากจะเลิกกับแฟนไ่อยู่คนเดียวอะ ไปบวชอยู่ในปา่าสักพักเดี๋ยวก็อยู่คนเดียวได้เนี่ยวิธีหาความสุขแท้ต้องอดทนต้องกล้ า, าหารต้องเข้มแข็งแข็งที่ใจนี่แหละไม่ได้แข็งที่ไหนหรอกถ้าใจอ่อนน ส, สู้ความอยากไว้ได้ก็อยู่ไม่ได้บวชได้ไม่กี่วันก็เสด็จ ก, กันแต่สมัยนี้บวชเป็นบวชกันแค่เช้าเช้าเย็นก็เสดกกันละ สมัยก่อนก็ยังบวชกันพรรษาหนึ่งเดี๋ันนี้พรรษาหนึ่งนี่บวชน้อยแล้วบวชกันเดือนหนึ่งบ้างสองอาทิตย์บ้างเจ็ดวันบ้างไม่รู้เขาไม่เข้าใจความหมายของการบวชว่าบวชเพื่อละความอยากนี่กับคิดว่าบวชเพื่ อ, อเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็วบวชไปแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการบวช ถ้าอยากจะได้ประโยชน์ต้องบวชเพื่อละความอยากถ้าไม่มีความอยากก็ไม่สึกถ้าสึกก็แสดงว่ายังมีความอยากอยู่ยังอยากหาลาบยศสะละเสริญหารูปเสียงกิ่นลดอยู่ก็ต้องสึกออกมาถ้าทำใจให้สงบได้ถ้าฝืนความอยากได้ก็ไม่ต้องสึก งานมาบวดนี่ก็มาทำใจให้สงบมาหยุดความอยากมาฝืนความอยากเพราะถ้าไม่มีความสงบก็หยุดความอยากไม่ได้นี่เป็นเรื่องของการเข้าหาความสุขแท้กับการหาความสุขปลอมหาของจริงกับหาของปลอม พระพุทธศาสนามีแต่ของจริงของแท้ถ้าเป็นทองก็ทองคำร้อยเปอร์เซ็นทองแท้ถ้าทางโลกก็เป็นของปลอมร้อยเปอร์เซ็นซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็พังของมีของอะไรบ้างที่เราซื้อมาแล้วไม่พังกันซื้อรถมาใช้ไม่กี่ปีเดี๋ยวก็พังซื้อบ้านมาอยู่ไปไม่กี่ปีเดี๋ยวมันก็พังต้าของแท้มันต้องไม่พังเพราะยัง น, น ตาของปอมันพังร่างกายนี้เดี๋ยวก็พังเมาเอาของแท้ดีกว่าของแท้กายร่างกายแท้จริงก็คือ ใ, ใจนี่ร่างทิพย์นี่เป็นเป็นของแท้ของแท้ที่ไม่ต้องไปมีของเทียมถ้าใจไม่มีความอยากก็ไม่ต้องไปอาศัยของเทียมอยู่กับของแท้ดีกว่า อยู่กับใจที่แท้จริงอยู่กับร่างกายที่แท้จริงที่ไม่มีวันจบไม่มีวันตายไม่มีความทุกข์าะยุติการไปหาความความสุขปลอมความสุขปลอมก็คือความทุกข์นี่อพอเวลาความสุขปลอมหายไปความทุกข์มันก็โผล่ขึ้นมาเวลาแฟนจากกันเป็นงสุขหรือทุกข์ สุขก็เพราะว่าอยู่ด้วยกันมันทุกเวลาจากกันมันถึงสุขแต่ถ้าถ้าอยู่ด้วยกันสุขเวลาจากกันมันก็ทุกนะนี่คือเรื่องของความสุขแท้สุขปลอมซับแท้ซับปลอมถ้าฮะถ้าไปหาลาบยศสรลเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกิือกายนี่ เรียกว่ากําลังหาหาความสุขปองหาความหาทรัพย์ปลอมถ้ามาห า, าทานศีลภาวนานีเรียกว่าเป็นการมาหาความสุขแท้ทาทานไปทําบุญไปมีสมบัติเ ท, ท่าไรทาไปแล้วมันจะเป็นสมบัติแท้ของเราขึ้นมาเอาติดตัวไปกับเราได้กลับมาเกิดชาติหน้าก็มีสมบัติร อ, อเราอยู่ ถ้ายัางไม่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดบุญที่เราเราทำไหวเงินที่เราให้คนอื่นเนี่ยมันจะกลับมารอเราอยู่กลับมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีสบายไม่ต้องไปหาเงินหาถองให้เหนื่ อ, อยยากถ้าไม่ได้ทำบุญไหวก็กลับมาเป็นลูกขอทานนะถ้าเราอยากจะได้ความสุขแท้อยากจะได้สมบัติแท้ก็ต้อง มาหาที่วัดเทานั้นที่วัดเป็นที่ขายสมบัติแทะมาทาบุญทาทานมารักษาศีลมาภาวนาแต่อยากจะได้สมบัติปลอมได้ความสุขปลอมก็ไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาเงินทองกันไปหาตำแหน่งกันไปเป็นนายพันใ น, นใยร้อยกันไปเป็นรัฐมนตรีเป็นเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีกัน ไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันอันนี้เป็นการหาของปลอมถ้าอยากจะหาของจริงก็ต้องมาหาเนี่ยในพระพุทธศาสนาจะได้เป็นพระโสดาบันได้เป็นพระสกิดาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ของแท้เป็นแล้วไม่มีวันหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ พระหลานตสาวกตอนนี้ท่านก็ยังเป็นพระหลานตสาวกอยู่ถึงแม้ไม่มีร่างกายก็ไม่มีใครที่จะมาปรวจตำแหน่งของท่านได้ตามอย่งนี้เป็นตําแหน่งถาวรเป็นพระพุทธเจ้าถาวรเป็นพระอหลานตสาวกที่ถาวรก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรวาหาปุราภะเรปุเรนติสากหรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอ e ุปกาปปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสัมมิจต um ุสัเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปัญหาระโสยธาเมณิโชติระโสยอาสพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนศีลิตษะนิจจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวทานติ อายุวนันโสุขังพาลา่งใครมาที่หลังอยากจะมารับหนังสือซีดีหรือมาถวายข้าวของเข้ามาได้นะใครอยากต้องการหนังสือซีดีก็หยิบไปได้นะ เป็นไงหมูนี่มาบ่อยกึนะเดี๋ยวมาเที่ยวบ่อยรึเปล่าฮะเป็นมาทั้งสองอย่างเอาทั้งความสุขความเอาทั้งความสุขแค่มาเอาความสุขแค่มาเที่ยวด้วยแล้วก็มาวัดด้วยอยจะหยิบได้ อยากจะถามอะไรไหมครับเหมือนรู้สึกว่าเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะเหมือนรู้สึกว่าดึงเอามาที่มาตัดการกับความเจ็บไข้ได้ป่วยรู้สึกที่ได้รับค่อนข้างยากเหมือนที่พี่ไหนจะทําให้แบบดึงมาปรับใช้ให้มันรู้สึกง่ายขึ้นว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกติของสังขารมนุษย์เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนทุกคนจะต้องเจอแต่ว่าเหมือนแบบแรกที่มันเจ็บขึ้นมามันดึงมาใช้ไม่ทัน ถ้าปลอให้เวลาผ่านไปเห็นจะพอคิดขึ้นได้ว่ามันจะเรื่องปกติของการเจ็บใครได้ป่วยก็เราไม่ฝึกไว้ก่อนไงไม่ซ้อมไว้ก่อนเลยถ้าฝึกซ้อมไว้ก่อนมันก็จะทําได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่ฝึกก็ต้องมาฝึกตอนที่มันเจ็บมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยกว่าจะทําใจได้ท่านสอนให้เราฝึกไว้ก่อนฝึกทําใจไว้ก่อน ให้ท่องอยู่เรื่อยๆเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาพอมันคอยเตือนใจคอยสอนใจพอเวลาเจ็บมันก็จะได้ทำใจได้ก็ต้องฝึกทำสมาธิด้วยฝึกทำใจทำใจก็คือทำใจให้เฉย เราหัดฝึกทำสมาธิไปบ่อยๆทำเยอะๆพอถึงเวลาเราก็ทำใจให้เฉยได้ความเจ็บปวดมันก็จะไม่มาทำให้เราเดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่ทำใจเลยพอถึงเวลามันก็ใจมันก็จะอยากให้ความเจ็บปวดหายไปก็เลยทำให้ใจทุกข์ขึ้นมา ต้องฝึกซ้อมกันบ่อยๆฝึกทำสมาธิแล้วก็ฝึกคิดอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาถ้าคิดบ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะทำให้เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมปล่อยพอถึงเวลาลราก็จะปล่อยได้ฝึกปล่อยฝึกซ้อมไว้ก่อน อาจจหยิบหนังสือ c ีดีได้นะต้องทำบ่อยๆต้องฝึกนั่งสมาธิทุกวันเพราะวิธีนั่งสมาธิจะทำให้เราปล่อยได้เหมือน ข, ขับรถเนี่ยคุณไม่ขับเลยว่าพอวันดีขึ้นดีจะเกิดเหตุปรรยาไม่สบายต้องขับรถไปส่งโรงพยาบาลจะขับไปได้ยางไง ใช่หไหถ้าคุณไม่หัดขับรถไปก่อนแล้วถึงเวลาจะขับได้ให้ไหนใจก็เหมือนรถเนี่ยใจเรามันชอบพยศเวลาไปเจอความเจ็บหน่อยมันจะพยศเลยมันจะสัน่นมันจะเครียดมันจะวุ่นวายไปหมดนี่เราต้องฝึกฝึกควบคุมใจไม่ให้มันพยศาการนั่งสมาธินี่ทำใจให้สงบนั่นมันก็จะไม่พยศ ถ้าไม่ฝึกไว้ก่อนพอถึงเวลามันพยศก็ทําอะไรไม่ได้ <c oughs> ต้องพยายามฝึกทําสมาธิการจะมีสมาธิที่จะนั่งแล้วทําใจให้สงบได้ก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถควบคุมใจได้เวลานั่งสมาธิใจก็คิดด้วยเปื่อยเมื่อคิดมันก็เหมือนพยศได พยศแบบน้อยๆพยศแบบไม่ดุนแรงพยศแบบดือ้อให้มันไม่คิดมันก็ดือ้อคิดไปเรื่อยๆแสดงว่าเรายังควบคุมใจไม่ได้แต่ถ้าเรามีสตินี่เราจะควบคุมได้สติก็คือใหเ้เราเลิกรู้อยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้ไปคิดกับเรื่องราวต่างๆให้เรารู้อยู่กับพุทโธก็ได้ ตื่ขึ้นมาก็พูดโธเลยท้าผพูดโธไปมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องต่างๆไม่ได้ถ้าจะคิดเรื่องจําเป็นก็หยุดพูดโทรแต่ถ้าไม่จําเป็นถ้าจะคิดเพอ้อฝันคิดเพอ้อเจอ้าก็อย่าคิดอยู่กับพูดโธดีกว่าเด้อแล้วเวลามานั่งมันก็จะนิ่งจะสงบได้ ถ้าไม่มีพุทธโธเลยนี่พอมานั่งมันก็จะคิดไปนั่งนานเท่าไหร่มันก็ไม่สมงบดงั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิได้ต้องมีสติก่อนต้องหัดเจริญสติก่อ น, นจะใช้พุทธโธเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้คิดก็ได้หรือจะใช้การเฝ้าดูการกระทําของร่างกายก็ได้ไม่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ก็ให้เฝ้าอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ กำลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันกำลังล่างหน้าก็อยู่การล่างหน้ากำลังหวีผมกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับงานที่เราทำอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะมันคิดก็ดึงกลับมาว่าอย่าไปกำลังแปลงฟันให้อยู่กับฟันอยู่กับการแปลงฟันกำลังหวีผมอย่าไปคิดถึงขนมก็อย่าพุ่งไปเพอหวีผมอยู่ตรงนี้ ยังไม่ถึงเวลาคิดถึงขนมถึงเวลากินแล้วก็คิดได้ถึงเวลากินงก็ให้อยู่กับการกินแล้วที่ที่อย่าไปคิดถึงเรื่องแปงฟันอย่าไปคิดถึงเรื่องหวีผมละให้คิดอยู่กับเรื่องกินกำลังตักข้าวเข้าปากกำลังเคี้ยวกำลังกลืนเนี่ยให้มันอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นการฝึกสติดึงใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่าง แล้พอเรามานั่งเราจะให้มันอยู่กับพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธให้อยู่กับลมหายใจมันก็จะอยู่กับลมหายใจพอมันอยู่กับเรื่องเดียวไม่มีความคิดมันก็รวมเข้าสู่ความสงบได้พอมันสงบมันก็จะเฉยได้ต่อไปเวลาเจอความเจ็บมันก็จะรู้จักวิธีทาใจให้เฉยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เฉยนันเองความเจ็บของร่างกายมันไม่รุนแรงเหมือนกับความเจ็บทางใจ หมอบอกจะฉีดยาให้นั้นนี่ยังไม่ทันฉีดเลย <c oughs> ใจไปก่อนละใจปวดไปก่อนละใจเจ็บไปก่อนนะแต่ถ้ามีสมาธิใจก็เฉยฉีดก็ฉีดเลหมอกาลังรออยู่เนี่ยเห็นไหมแลฉีดก็แป๊บเดียวยึกเดียวก็เสร็จแล้วเหม็นเจ็บตรงไหนเลยความเจ็บส่วนใหญ่ที่ใจเพราะควบคุมใจให้เฉยไม่เป็นใจจะเครียดขึ้นมา พอมันกลัวความเจ็บมันไม่ชอบความเจ็บพอมันต้องเจอของที่มันไม่ชอบมันจะเครียดขึ้นมาเวลาเสีย <c oughs> <c oughs> er ของที่รักไปมันก็เครียดขึ้นมาอแบบลักก็ไม่ดีรักก็ไม่ดีเกลียดก็ไม่ดีเกลียดเวลาเจอมันก็เครียดขึ้นมาลักเวลาเสียมันไปก็เสียใจทุกข์ใจแต่ถ้านั่งสมาธิทําใจให้เฉยได้จะไม่ลักไม่เฉย จะไม่รักไม่ชังกับอะไรรักแล้วก็ทุกชังแล้วก็ทุกเฉยดีกว่าเฉยแล้ ว, วไม่ทุกเวลารักใครแล้วเสียเข้าไปก็ทุกเวลาเกลียดใครเพราะต้องอยู่กับเขาก็ทุกอีกงั้มานั่งทาสมาธิเพื่อทำใจให้เปิดกลางไม่รักไม่ชังกับอะไร เข้าใจแล้วยังถ้าอยากจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไายได้ปวยก็มาหัดฝึกสติฝึกนั่งสมาธิกันแล้วฝึกใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาด้วยคือต้องตรง่งอย่าไปฝืนอย่าไปปฏิเสธเวลามันเจ็บไายอย่าไปอยากให้มันหายปล่อยมันมันเจ็บก็ปล่อยมันไปให้มันเจ็บไปก็ไปอยากให้มันหายมันก็ไม่หายอยู่ดี นอกจากไม่หายแล้วยังมาสร้างความเครียดความทรมานให้กับใจถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายเราจะไม่เครียดเราจะเฉยเฉยจะสบายเจ็บจะรู้ว่าเจ็บแต่ไม่แต่ความเจ็บของร่างกายไม่รุนแรงเหมือนกับความเจ็บของใจความเจ็บของใจนี่เก้าสิบเอร์เซนความเจ็บของร่างกายเพียงสิบอร์เซนอยู่กับมันได้ ถามว่าไงวันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่สามร้อยกว่าเกือบสามส่ิบเกือบร้อสามรแปดสิบวันนี้เยอะหน่อยอันน้เท่าไหร่ y o u t u b าม5ห้า <100. S 1> เข้าถึงเมื่อเท่าไหร่เนี่ยแสนสามอ๋อวันนี้แสนสามมันน ะ, ะเร็วนะถามมีคำถามมาหรือยังถามได้คำถามจากคุณพัชรา แม้ขนาดที่เป็นมนุษย์ใจก็เป็นกายทิพเป็นระดับไหนขึ้นกับว่ากําลังทำอะไรอยู่ถ้าทำบุญก็ระดับมนุษย์บ้างเทพบ้างโทมบ้างหรือแม้แต่กายทิพของพระอริยะเจ้าหากมีปัญญาปล่อยวางได้หมดแต่ถ้าทำบาป ก, ก็มีกายทิพของเดาชะฉานเปรดอสุรตายสันนรกบ้างไม่ได้ขึ้นกับว่าเป็นมนุษย์แล้วจะมีกายทิพเป็นมนุษย์ตลอดเวลา เปลี่ยนไปตามบุญตามกรรมที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันคําถามค่ะข้อที่หนึ่งกายทิศหมายถึงจิตหรือคะท่านอะจิต จ, จิตใจผู้คิดผู้รู้ผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆนี่คือกายทิศผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้ผู้ที่เปลี่ยนชื่อหลังจากไม่มีร่างกายก็เปลี่ยนเป็นดวงวิญญาณไปเหมือนกับนางสาวเวลาไปแต่งงานก็เป็นนางขึ้นมาะ แต่คนคนเดียวกั น, เ, นเพียงแต่เปลี่ยนสถานภาพเด็กชายพอโตขึ้นก็เป็นนายเด็กหญิงพอโตขึ้นก็เป็นนางสาวพอมีสามีก็เป็นนางอันนี้เป็นการเปลี่ยนสถานภาพเปลี่ยนสมมุติแต่ตัวตัวจิตของจิตก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยตัวจิตตัวใจตัววิญญาณก็คือตัวรู้ตัวคิดเนี่ยเรียกว่าตัวจิตใจ ตอนนี้ไม่ตายตอนนี้เปลี่ยนไปตามบุญตามบาปอไปฆ่าเขาปั๊บนี่เป็นบาปขึ้นมาเป็นนรกขึ้นมาทันทีไปช่วยเหลือผู้อื่นกลายเป็นเทวดาขึ้นมาทันทีข้อที่สองถ้าเช่นนั้นสําคัญที่สุดคือณนะเวลาจิตทิ้งกายมนุษย์เรามีโอกาสที่จะไปบรรลุมัทผุนีพานได้พอๆกับการไปเกิดเอเดราฉานไม่ว่าเราจะปฏิบัติม า, มามากน้อยหรือคะ ไม่หรอกก็สิ่งที่เราทำไว้มันเหมือนการเอาเงินไปฝากธนาคารหรือบาปก็เหมือนกันเราไปกู้เงินจากธนาคารมันก็จะมันก็จะรวบรวมขึ้นไปวันนี้ทำบุญสิบบาทมันก็จะอยู่ในบัญชีเราวันนี้ทำบาปห้าบาทมันก็จะอยู่ในบัญชีเราพอเวลาตายมันก็จะมาคิดบัญชีกันว่าบุญกับบาปที่ทำมานี่อันไหนมากกว่ากันก็จะ ก็จะบวกลบคูณหาแล้วก็จะได้คําตอบว่าเป็นเปรตหรือเป็นเทวดาเป็นอริยเจ้าหรือเป็นผู้ถุชนมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้อยู่เฉพาะแค่เราทําว่าวระสุดท้ายวาระสุดท้ายนี่มันเราทําไม่ได้มันต้องสะสมทําไปเรื่อยๆทําบุญไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆทำบาปไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆ แล้วบุญกับบาปมันจะมาคิดบัญชีกันบวกลบคูณหารกันแล้วมันก็จะได้คำตอบว่าออได้ระดับนี้แล้วได้ระดับเทพแล้วได้ได้ระดับพรมแล้วได้ระดับอะไริรยบุคคลแล้วหรือได้ระดับเดาชฉานแล้วได้ระดับเปรตแล้วได้ระดับนรกแล้วมันอยู่ที่ บุญบาปที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนี้และบุญบาปเก่าที่เราทำไว้ยังที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ส่งผลบุญบาปเก่าที่เราทําในชาติก่อนๆที่ยังไม่ส่งผลมันก็ยังมีอยู่ในบัญชีบุญบาปของเราอยู่แล้วชาตินี้เราก็มาเติมเติมบัญชีบุญบาปขึ้นไปอีกพอเวลาตายไปบุญบัญชีบุญกับบุญชาบัญชีบุญกับบัญชีบาสมันก็จะมามาเป็นตัวแยกจิตไปตทำบาปมันมี มากกว่าบุญมันก็บาปก็จะดึงไปทางระบายถ้าบุญมีมากกว่าบาปมันก็จะดึงไปทางทางสวรรค์แล้วพอบุญกับบาปมันเท่ากันมันกด็ดึงให้มาเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นที่เวลาที่บุญกับบาปมันไม่มีกําลังมันกําลังเท่ากันมันไม่ได้หมายความว่ามันหมดนะบุญไม่ได้หมดบาปไม่หมดเพียงแต่ว่าพอบุญกับบาปมันเท่ากันเนี่ย บาปจะดึงไปอาบายก็ดึงไปไม่ได้บุญจะดึงไปสวรรค์ก็ดึงไปไม่ได้ก็เลยต้องมาเป็นมนุษย์นแเรามาทําบุญทําบาปใหม่แล้วพอตายไปถ้าบุญมากกว่าก็ดึงไปไปสวรรค์ถ้าบาปมากกว่าก็ดึงไปอาบายถ้าบุญกับบาปเท่ากันก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่มันก็เป็นอย่างนี้ไปจนกว่าเราจะตัดความอยากให้หมดไปได้ถ้าตัดความอยากหมดมันก็จะไม่มี ตัวที่จะดันให้เราไปไปเกิดถึงแม้จะมีบุญจะมีบาปมันก็จะไม่มีตัวผลักดันให้ไปไปรับผลบุญผลบาปอีกทีนึ่งตัวที่รับผลบุญผลบาปตัวที่จะดึงให้ไปรับผลบุญผลบาปก็คือตัวความอยากนี่ถามว่าไงต่อมาคำถามจากคู่ปักถาข้อที่หนึ่งเวลานั่งสมาธิจิตลิ่งจะได้กลิ่นหอมทุกครั้งเป็นเพราะอะไรคะ ก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอถ้าไม่รู้ก็อย่าไปสนใจเหมันให้รู้ความจริงก็พอให้รู้ว่ามีกลิ่นหอมก็แล้วกันอาจจะเรามีจมูกทิพย์ก็ได้เมื่อจิตสงบจิตก็เลยอเปอดจมูกทิพย์ขึ้นมาบางตอนเลยได้ได้กลิ่นกลิ่นที่เราไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนข้อที่สองเดือนที่แล้วนั่งสมาธิภาวนาพุโทโธดูลมหายใจเข้าออกจิตรวมรู้ รู้สติตลอดตัวเราระเบิดเสียงดังแต่รู้ตัวไม่ตกใจต้องกลับมาดูลมหายใจไหมคะดูจิตดูจิตก็ได้ดูจิตให้จิตเป็นปกติอย่าให้จิตตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวกับเหตุการณ์ต่างๆให้จิตเฉยเป็นอุเบกขาการดูลมนี้เพื่อดึงให้จิตเข้าไปหาอุเบกขาถ้าถึงอุเบกขาแล้วก็ไม่ต้องดูลมให้ดูอุเบกขาให้ดูใจของเรานิ่งเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างหรือเปล่า ตาไนิงก็ให้มันดึงมันกลับเข้าไปในอุเบกขาให้มันอยู่ในอุเบกขาให้มันเฉยคำถามจาก y o u ูทูบคำถามจากคุูเพื่อรู้ทำระหว่างการเพ่งจิตดูจิตกับการเพียนรักษาจิตเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ <c oughs> มันก็เป็นเหมือนวาทะนะมันก็เหมือนกันกา ร, การเพ่งจิตดูจิตก็เพื่อรักษาจิตนั่นเองรักษาจิตให้เป็นอุเบกขา ถ้ายังไม่มีอุเบกขาก็อย่าไปดูดูเสียเวลาดูแล้วก็ทําให้มันเป็นอุเบกขาไม่ได้เวลาดูจิตโดยที่ไม่มีความสามารถที่จะทําให้มันเป็นอุเบกขาดูไปก็ดูแล้วทําอะไรไม่ได้เหมือ น, นเวลาโกรธก็ทําให้มันหยุดไม่ได้ก็อย่าไปดูมันดูวิธีทําให้มันหยุดดีกว่าเราต้องมาฝึกดูวิธีที่ทําให้จิตมันหยุดจิตได้ก่อนแล้วค่อยไปดูจิต ตอนนี้เราไม่มีเครื่องมือที่จะไปหยุดจิตเครื่องมือที่จะเครื่องมือที่จะหยุดจิตก็คือสมาสติหรือสมาธิเนี่ยถ้ามีสติแล้วเวลาจิตพยศเราก็หยุดมันได้ถ้าไม่มีสติมันก็จะหยุดมันไม่ได้เหมือนที่เมื่อกี้ถามว่าเวลาเจ็บแล้วมันพยศนยีขึ้นมาทํำยังไงเี่ดูจิตแล้วดูว่ามันพยศแต่ทาอะไรมันไม่ได้งั้นอย่าพึ่งไปดูตอนนี้ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้มาดู วิธีที่จะทําให้หยุดจิตให้ได้ก่อนนะก็ให้ดูลมแทนดูพุโทโธแทนไม่ให้ไปดูจิตดูอยู่กับลมอยู่อยู่กับพุโทโธเพื่อฝึกให้เกิดสติขึ้นมาเพื่อให้มันหยุดจิตให้ได้ถ้าเราหยุดจิตได้แล้วทีนี้เราไม่ต้องดูพุโทโธก็ได้ไม่ต้องดูลมก็ได้เราดูจิตเลยพอจิตโลภ ก, ก็หยุดมันเลยพอจิตโกรธก็หยุดมันเลย ถ้าหยุดไม่ได้ก็สแสดงว่าสติยังไม่มีกำลังก็ต้องกลับไปดูลมก่อนกลับไปดูพุทโธก่อนให้มันมีกำลังก่อนพอมีกำลังแล้วค่อยมาดูจิตอีกทีค่งคำถามจาก Facebook l ล v e คำถามจากผู้ไม่ะสมออกนามดิฉันมีความปรารถนาอยากจะบวชชีแต่บิดามารดาไม่อนุญาตจึงทำให้ท่านเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งดิฉันค่ายถามพระอาจารย์ หากเป็นเช่นนี้ดิฉันจะบาปหรือไม่และยังมีโอกาสบรรลุธรรมไหมครับไม่บาปหรอกการที่เราทำความดีแล้วให้พ่อแม่เสียใจดีกว่าทำชั่วแล้วให้พ่อแม่เสียใจเนี่ถ้าไปปีถ้าไปประพฤติผิดตัวเวนีไปแย่งสามีคนอื่นนี้แล้วทำให้พ่อแม่ดีใจแล้วกลับไปบวชชีแล้วทำให้พ่อแม่เสียใจไปบวชทีดีกว่าพ่อแม่เสียใจเดียวเดียว เอาเดี๋ยวเขาก็จะดีใจทีหลังว่าโอ้บวชีมันดีนะดีกว่าไปแย่งสามีเขาแย่งสามีเขาเดี๋ยวไปถูกตบตีฆ่าคนกันตายเยไปไม่ต้องไม่ต้องไปคํานึงถึงความรู้สึกของพ่อแม่หรอกถ้าเราทําความดีเพียงแต่เขายังไม่เข้าใจเท่านั้นเองถ้าเขาเข้าใจแล้วเดี๋ยวเขาก็จะดีใจเองเหมือนพ่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดดูคงจะเสียใจมากนะพอได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าหายไปเนี่ยออกจากวังไป เราฝากชีวิตจิตใจไว้กับพระพุทธเจ้าเลยอยากจะให้พระพุทธเจ้าสืบทอดพระราชนิพนธ์ก็อยากจะให้เป็นพระมหาจักรพรรดิสร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาติเนี่ยแต่พอได้ข่าวว่าลูกหายไปเนี่โอ้โหคิดดูเนี่จะเสียใจขนาดไหนแต่พอหลังจากพระพุทธเจ้าตัดธนูแล้วกลับมาโปรดร์เกับดีใจ <c oughs> ได้เห็ลูกกลับมาเป็นแล้วได้มาฟังเทศฟังธรรมเลย ทำให้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมแล้วได้ที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์งั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องความเสียอกเสียใจถ้าเราไปทําความดีเนี่ยเดี๋ยวเขาก็หายสมมติเราตายไปก็เสียใจวันสองวันนั่ะน เ, นเดี๋ยวเขาก็ลืมเราละใช่ไหมเคยมีเนี่ยญาติโยมบางคนเสียลูกไปมาร้องผมร้องไห้อยู่หลายเดือนเดี๋ยวนี้หัวละเกี้ยอ งนไม่ต้องไปกังวลถ้าก็จะเสียใจกับเรื่องของการไปทำความดีของเรานี้มันไม่ซิไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มีข้อเสียหายตรงไหนเข้าใจไหมการทำความดีไม่ไ ม, มีข้อเสียหายแต่ก็จะเสียใจมันก็เรื่องของเขาเดี๋ยวเขาก็หายเองเดี๋ยวยเขาก็ลืมละไม่กี่วันเขาก็ลืมคำถามจากคุณธนการผมอยากจะขอาอมาพ่อแม่ที่ล่วงรับไปแล้วจะทำอย่างไรบ้างท่านจะรับรู้ได้ไหมครับ ท่านจะรับรู้หรือไม่นี่ก็แล้วแต่ว่าท่านจะรอร อ, ร อ, รอฟังเราหรือเปล่าแต่การขอเข้ามาเราก็กราบท่านทุกคืนทุกเช้าก็ได้ก่อนนอนก็การาบแล้วก็ขอเข้ามาไปคํถาถามจากคุณชาโนนการปฏิบัติตามหลักบา ร, รมีทั้งสามสิทธัสกับการที่เราปฏิบัติตามหลักทานศีลภาวนาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรไหมครับเหมือนกันเหมือนกัน คำถามจากคุณดิวี่ผมซื้อชุดสังฆทานไปทําบุญที่วัดแต่ไปเจอชุดสังฆทานที่ทางวัดได้เตรียมไว้เลยอยากทราบว่าหากเราซื้อชุดสังฆทานไปถวายที่วัดหรือเอาของที่วัดจะมีผลแตกต่างกันทางบุญหรือไม่ไม่ตาม่างครับคําถามจากคุณทีน่า การละมานะแบบที่เห็นเสมอกันจะทำได้อย่างไรคะการที่เห็นตัวเราเสมอกัน่ใช่ไหมละมานะนี่ทาไมการละมานะที่เห็นเสมอกัรแปลว่าไงความหมายแปลว่าไงคือมานะนี่เป็นความเห็นที่มีอยู่สามเห็นว่าเขาสูงกว่าเราเห็นว่าเขาเท่าเราเห็นว่าเขาต่ำกว่าเรา อันนี้เรียกว่ายัางเรายัางถือว่าเราสูงก่าคนนั้นยังต่ำก่าคนนี้ยังเท่ากับคนนั้นอยู่อันนี้เรียกว่าเป็นการถือตัวการถือตัวก็จะทำให้เรายึดติดกับตัวตนถ้าเราถือว่าเราสูงกว่าเขาแล้วก็มามาก้าวแล้วเราก็จะเสียใจใช่อย่างพ่อแม่เวลาลูกก้าวแล้วเนี่ยก็จะเสียใจเพราะถือว่าฉันเป็นพ่อเป็นแม่เธอเธอเป็นลูกฉันเธอต้องเคารพฉัน พอเธอก้าวแล้วพ่อแม่ก็เสียใจอเน้ น, ท, นท่านสอนว่าความจริงนี้มานะนี้มันเป็นของของปลอมมันความจริงนี้เราเหมือนกันหมดเราเท่ากันจิตใจของพวกเราทุกคนเหมือนกันอมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันนแต่ว่าเรามาสูงมาต่าเพราะสมมตินสมมุติทําให้เราสูงให้เราต่าําเรามาเกิดเพราะเป็นลูกพ่อแม่ก็สูงกว่าเรา พเรามีลูกลูกเขาลูกเ้าก็ต่ํากว่าเราพอมีเพื่อนเพื่อนกับเราก็เท่ากันอันนี้เป็นสมมุติที่เราใช้กันในการปฏิบัติเพื่อให้มันเหมาะสมเราให้รู้สมมุติแต่เราอย่าไปหลงสมมุติเกิดเวลาที่คนที่เขาต่ํากว่าเราเขาไม่เคารพเราเข้าก้าวแล้วเราเราจะอย่าไปเสียใจก็คิดว่ากำลังเล่นละครกันเห็นไหมอี๋ยวเรามาเล่นละครเราเป็นพ่อเขาเป็นลูก เอแต่นี้เขาบอกเขาไม่ยอมเล่นตามบทเขาจะเล่นเท่ากันหรือสูงกว่าเราเขาจะเทว่าเขาสูงกว่าเราเขาด่าเราก็ต้องปล่อยก็เราไปห้ามก็ไม่ได้ั้รให้รู้ว่าเป็นสมมุติแล้วเวลาที่คนที่เขาเล่นบทเหล่านี้เขาไม่เล่นตามบทก็อย่าไปโกรธเขาเขาอยากจะเล่นบทสูงกว่าเราก็ได้เขาอยากจะเล่นบทต่ํากว่าเราก็ได้มันก็เรื่องของเขาเขาจะ เล่นบทเท่าเราก็ได้บางครั้ก็ตีตัวเสมอเอก่ อ, อนที่เป็นลูกน้องเราบางทีก็มากินเหล้ากับเราพอกินเหล้าแล้วมันก็มากอดคอรเราถือว่าเป็นเพื่อนกันอย่างเนี้อใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของจิตใจที่มันไปทําไปตามความรู้สึกดึกคิดของเขาเราอย่าไปยึดติดว่ามันเป็นของแท้ของจริงอ่า อะไรทําไมนะข้อมาของกาบอ้าวกาบว่ากาบกาบตรงนั้นก็ได้นะตรงไหนสะดวกก็กาบได้ไม่ต้องกาบตรงนี้ก็ได้ถ้ามาตรงนี้ไม่ได้ก็กาบตรงนั้น กราบพระพุทธเจ้ากราบตรงไหนก็ได้ไม่ต้องไปกราบที่อินเดียก็ได้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็กราบได้ใช่องมีพต้องมีพระพุทธรูปหรือเปล่าถึงจกราบได้ไม่มีก็กราบได้ใช่ไหมเห็นกราบที่ไหนก็กราบได้กราบพ่อกราบหน้ากราบที่ไหนก็กราบได้กราบเพื่อให้เราคารวะให้เรามีความเคารพให้มีความกตัญญูถ้ากราบเพียงแต่สักแต่ว่ากราบก็กราบหรือไม่กราบมันก็เท่ากัน กลาบแล้วก็ไปด่าพ่ออย่างนงี้มันไปกาบเสียเวลาเปา <c oughs> ล่ากาบเพื่อเตือนใจแล้วว่าเขาสูงกว่าเรา <c oughs> อันนี้เป็นการสอนให้เรารู้จักกฎของกฎกติกาของสมมติของโลกสมมุติ <c oughs> อา <c oughs> อ, าอาวางไว้เลยทังเสียสือ11ตัวนะครับเอาหนังสือกับซ <c oughs> ีดีไปก็ชุดยดึงไปหนังสือ อ่าซีดีสองแผ่นนี้อ่ะสองซีดีแผ่นนึงเน้นคำว่ามานะก็เกินต้องรู้ว่ามันเป็นสมมุติแล้วอย่าไปยึดไปติดบางคนเป็นนร้อยพอในายสบด่าหน่อยก็โกรธเนี้ย ก็อย่าไปถือว่าเขาเป็นนายสิบเขาถือว่าเขาอาจจะเป็นนายสิบชาตินี้เขาอาจจะเป็นนายพลชาติก่อนก็ได้เขยังติดนิสัยในพลอยู่พอมาเจอเราเป็นนายสิบก็ยังดา่าก็ไปเจอเป็นนายร้อยก็ยังมาดา่าเราอย่างนี้ก็เหมือนคนบวชเนี่ยคนสมัยนี้เวลามาบวชก็ริงมาบวชที่ต้องมาเป็นเป็นเริ่มต้นที่ศูนยะเป็นพระพระพระบวชใหม่พระบวชใหม่ก็ต้องอยู่ท้ายแถวแต่บางคนถือว่าฉันเป็นอธิบดีฉันมาบวชเนี่ย ฉังก็ต้องมีรูปศิธ์มาล้างบาทให้ฉันอะไร อ, อันนี้แสดงว่าเขาไม่ทำตามกฎกติกาของการเป็นนักบวชนักบวชเวลามาบวช น, นี่เทวะเพิ่งมาเกิดใหม่บวชคนที่เขาบวชก่อนเอ็าเทวะเป็นรุ่นพี่เราแล้วเราต้องคารวะต้องคารวเขาแ ล, าล้วอย่างในสมัยพุทธกาลนี่ก็มีมีญาติของพระพุทธเจ้าห้าห้าองค์เจ้าชายห้าองค์ มีศรัทธาอยากจะบวชแล้วก็มีลูกน้องคนเป็นช่างตัดผมขอบวชตามทีนี้เวลาบวชนี่ใครบวชก่อนก็ถือว่าเป็นพี่แล้วใครบวชหลังก็ตั้งถือว่าเป็นน้องเจ้าชายห้ารูปก็เลยมาปรึกษากันว่าให้ลูกน้องบวชก่อนไหมมันจะได้เป็นพี่เราเราจะได้กราบมันว่าการเรามาบวชนี่เพื่อเรามาละมา nga นะ ม, มาละตัวตนเอมาละการถือเนื้อถือตัวว่าเราเป็นเจ้าชายเขาเป็น เขาเป็นช่างตัดผมเขาเป็นลูกน้องเราก็เลยปรึกษากันก็เลยบอกงี้ให้ช่างตัดผมนี่บวชก่อนแล้วเจ้าชายห้ารูปค่อยบวชทีหลังบวชตามกันบวชพร้อมกันแต่เวลาบวชพร้อมกันเขาจะแต่เขาก็ยังมีลำดับอยู่ลำดับที่หนึ่งลำดับที่สอง น, นี่เป็นการบวชที่แท้จริง บวชเพื่อมาละอาตตาตัวตนมาลัมานะการถือตัวว่าถือว่าเราเป็นเจ้านายถือว่าเราเป็นเจ้าชายถือว่าเราเป็นอธิปดีถือว่าเราเป็นอะไรต่างๆวเวลามาบวชนี่ท่านบอกให้ตัดทิ้งแมให้หมดให้เหลือแต่ศูนย์เอเรามาบวชเป็นพระภิกษุศูนย์แต่ก็ยังขนาดเป็นศูนย์พ่อแม่ยังยังมากราบไหว้เลยคิดดูเห็นไหมพอมาบวชปั้งนี่พ่อแม่ก็เคย ลูกเคยกับพ่อแม่นี้กับกันแล้วนี่พ่อแม่ต้องมากรับลูกแล้วนี่เราลูกบวชแล้วเห็นพ่อแม่กาบก็ต้องลูกสึกเขินเพราะไม่เคยเห็นแต่พอกาบบ่อยๆก็ติดต่อไปถ้าไม่กาบก็โกรธห <c oughs> ลวงยึดติดแล้วกันฉะนั้นอย่าลองอย่าไปลองยึดติดกับสถานภาพของเรากับคนของคนอื่นเอ เราจะสูงกว่าเขาต่ำกว่าเขาก็เป็นเพียงสมมุติเท่นั้นเองแล้วเขาจะปฏิบัติตามกฎสมมติหรือไม่เราก็อย่าไปคิดอะไรถ้าเราคิดแล้วเราจะเสียใจเวลาเขาไม่ปฏิบัติตามกฎคำถามจากคุณอ้อยเวลานั่งสมาธิถ้าจิตไม่นิ่งจะได้บุญไหมคะไม่ได้หรอกมันต้องนิ่งถึงจะได้บุญแต่ก็จะได้บุญตรงที่ได้ความพยายามนั่งแต่ว่าไม่ได้บุญเลยก็ไม่ใช่ สว่างนั่งกับไม่นั่งเลยคนที่นั่งได้ได้ได้บุญมากกว่าคนไม่ได้นั่งเป็นแต่ได้มากได้น้อยถ้าส ง, งบมากก็ได้มากถ้าส ง, งบน้อยก็ได้น้อยอย่างน้อยเวลานั่งมันก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้เราเครียดขึ้นม า, าแต่อาจจะไม่ส ง, งบนะเพราะตอนฝึกใหม่ๆ ม, มันก็ยังเป็นการเหมือนกับหัดเดินอยู่ตอนต้นก็ยังต้องล้มลุกคลุกคลานไปก่อน แต่ต่อไปเดี๋ยวมันก็เดินได้เองแต่ถ้าไม่หัดเดินเลยมันก็จะไม่มีวันเดินได้ทัทีแต่ถ้าพยายามหัดนั่งไปเรื่อยๆต่อไปเดี๋ยวมันก็สงบเองงั้นจะว่าไม่ได้เลยก็ไม่ได้ได้เหมือนกันได้ความพยายามได้การฝึกซ้อมแล้วการพยายามความฝึกซ้อมนี่แหละที่จะทำให้เราได้ความสงบต่อไปคำถามจากคุณตอบมงพักข้อที่หนึ่ง เรื่องการนั่งสมาธิถ้าตอนนั่งความคิดยังไม่นิ่งแว็กไปแว็กมาถึงแม้ใช้คําภาวนาพุโทโธบริเวณระหว่างคิ้วแต่ยังฟุ้งเราควรจะมีอุบายอย่างไรให้สงกขึ้นครับข้อที่หนึ่งอย่าไปอยู่ที่ระหว่างคิว้วให้อยู่ที่คําว่าพุโทโธนะไม่ต้องไปไปแปะมันไว้ตรงไหนให้อยู่กับคําพุโทโธแล้วก็พุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับความคิดที่มันจะแทรกเข้ามาอื ให้เกาะติดไปกับพุโทโธเมือนเวลาเราคุยโทรศัพท์แล้วคนนู้นจะเรียกเราไปพูดนู่นพูดนี่เราก็อย่าไปสนใจเราก็พูดโทรศัพท์ของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเองเดี๋ยวเขาก็เลือกมายุ่งมารบกวนเราเองตอนต้นมันจะความคิดมันยังจะแทรกเข้ามาอยู่เพราะว่าสติเรายังไม่มีกําลังที่จะจดจ่ออยู่กับพุโทโธเพี ย, ง, ยงเดียวมันยังมันยังแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นั่นเราต้องพยายามดึงให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ ข้อที่สองความคิดกับจิตตัวรู้มันอันเดียวกันไหมครับนั่นแหละจิตมันเป็นตัวรู้ตัวคิดเนี่ยมันมีสองส่วนเวลาจิตหยุดคิดก็เหลือแต่ตัวรู้เวลานั่งสมาธิแล้วจิตหยุดคิดก็จะเหลือแต่ตัวรู้แล้วเราก็จะรู้ว่าเนี่ยคือตัวจริงเสียงจริงของเราตัวที่แท้จริงของเราก็คือตัวรู้คาถามจากคุณไกรรินข้อที่หนึ่งสิ่งที่ควบคุมจิตหรือทาให้จิตนสงบ เพื่อให้เกิดสมาธิเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าสติข้อที่สองสิ่งที่ควบคุมสติหรือทําให้มีสติกับตัวเราเรียกว่าอะไรครับและสามารถทําให้มีสติตลอดได้อย่างไรครับก็การคอยเตือนตนไงคอยเตือนตนว่าตอไปนี้เราต้องมีสติเราต้องฝึกพูดโทรพูดโทไปคำถามจากคุณชีวิตยังอยู่ ผมคิดจะบวชแต่ยังห่วงลูกแล้วบางครั้งพิทจะหนีไปบวชอย่างนี้เราจะบาปไหมครับเพื่อทำให้ลูกเมียเป็นทุกข์ถ้าเึงให้เขาเดือดร้อนมันก็มันก็ไม่ควรทำมันแต่ว่ามันไม่บาปแต่มันก็ทำให้เขาทุกข์เพราะว่ามันเราละเลยหน้าที่ของเราการที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวของเรา นอกจากว่าเราชิงสมบัติให้เขาอยู่ได้อย่างสุขสบายหรือมีคนอื่นมารับช่วงต่ออย่างนี้ก็ไปได้แต่ถ้าเขายังต้องพึ่งเราอยู่แล้วเราไปนี่ก็อาจจะทําให้เขาอ <c oughs> ให้เขาเดือดร้อนได้แต่มันไม่บาปเพราะเราไม่ได้ไปทุบตีเขาเราไม่ได้ไปฆ่าเขาเราไม่ได้ไปทําร้ายเขาเพียงแต่ว่าทําให้เขานี่ตาบาก แต่ถ้าจะไปจริงๆก็ไม่ก็ไปได้เพราะถ้าเกิดเราตายขึ้นมาเขาจะทํำยังไงถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็ไปได้ถ้าเราคิดว่าถ้าเกิดเราตายไปแล้วเขาจะทําไหมเขาก็หาผัวใหม่ได้เขาก็หาแฟนใหม่ได้หรือเขาก็ต้องพึ่งตัวเขาเองไปเมื่อก่อนเขาไม่ทํางานพอพอไม่มีเราแล้วเขาก็ต้องไปหางานทําเองก็คิดอย่างนี้ก็ไปได้ไม่เป็นไรถ้าจะไปจริงๆต้องถามจากคุณยุภาพพร ลูกชายเขาจะมีความคิดในทางลบตอนตลอดสอนยังไงก็ไม่ฟังจะพยายามบอกให้เขาคิดในทางมองเลมองในแง่บวกได้อย่างไรครับก็เราก็มีหน้าที่สอนก็สอนไปส่วนเขาจะฟังก็จะเชื่อหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาอันนี้เราไปบังคับเขาไม่ได้คำถามจากคุณติ๊น้อย เล่าตัากเตือนพ่อหลายๆเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยเหมือนตัวเองว่าพ่อสิ่งนี้ที่ถูกทำถือว่าบาปไหมครับไม่บาปหรอกแต่เป็นการไม่ควรเป็นการเสียมารยาทเป็นการกระทาผิดฐานะพ่อแม่เป็นผู้ที่เขาเลี้ยงดูเรามาเขามีปัญญามากกว่าเราเราไม่ต้องไปเอาปัญญาไปสอนเขาหรอก เขาที่เขาทําผิดเพราะว่าเขายังติดนิสัยทําผิดอยู่ไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้แต่เขายังเลิกไม่ได้เย่นงเขาดื่มเหล้าอย่างเงี้ยเขาเลิกไม่ได้เขาไม่รู้เขาเขารู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็ยังติดอยู่การที่เราไปสอนนี่มั น, เ ป, นเป็นการอวดเป็นการยกตนข่มท่านไม่ไม่เหมาะสมไม่เป็นไม่มีความเคารพไรสัมมาคารวะ พผู้เป็น ล, ลูกนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่ากล่าว ต, ตักเตือนสั่งสอนพ่อแม่เลยนอกจากพ่อแม่ขอคำปรึกษาเท่านั้นะถึงจะบอกได้หรือถ้าพ่อแม่ถามว่าทํายัางไงอย่างนู้นอย่างนี้อะบอกได้ทำอย่างนี้ดีไม่ดีอะบอกได้แต่อยู่ดีๆไปบอกพ่อไอันนี้ไม่ดีพ่ออย่าทํำนะไอันนี้บอกไม่ได้ไม่ไม่ใช่ฐานะของลูกที่จะทําคําถามจากคุณแพทย์ ครูบาอาจารย์มักสอนเสมอว่าเวลาใส่บาทห้ามใส่เงินในบาทพระแต่พระแถวบ้านเป็นวัดมหานิกายพระสงมักใจดีเวลามีญาติโยมใส่เงินลงในบาทและมีพระบางลูกหักนําเงินใส่บาทจะให้พนยาวหักใส่เท่าหรืออาหารเท่านั้นจะไม่ค่อยให้พรคาถามคือในฐานะโยมเมื่อใส่บาทกับพระมหานิกายควรทําตามสมมุติของมหานิกายหรือคะ ควรทําตามอพระวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้จะดีกว่าไม่ว่าจะเป็นพระที่ไหนก็ตามาะก็คืออย่ามอบเงินให้กับพระกับมือก็แล้วกันถ้าอยากจะถวายเงินทอนให้กับพระให้ไปฝากไว้กับลูกศิษย์ลูกหาอันนี้เป็นกฎกติกาที่พระเจ้าทรงวางไว้ทีน่เขาจะมาเปลี่ยนกันทีหลังนี้มันไม่ใช่เป็นคําคําสั่งของพระทเจ้าแล้วเปลี่ยนกันตามติเลทของของคนที่อยากจะรับเงิน สมัยนี้เขาอ้างว่าเงินทองจําเป็นสมัยก่อนสมัยพุทธเจ้าไม่ต้องใช้เงินทองมากเหมือนสมัยนี้สมัยนี้ไปเรีย น, นหนังสือก็ต้องขึ้นรถเมล์ขึ้นแท็กซี่เออะในนี้สมัยนี้ต้องซื้ออ่ซื้อโทรศัพท์มือถือซื้ออะไรก็ต้องใช้เงินซื้อก็เขาก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้ามาคอยพูดไร้ ว, ว่าถ้าศีลข้อไหนเห็นว่ามันไม่จำเป็นต้องรักษาก็ยกเลิกได้ เขาก็เลยคิดว่าข้อนี้มันจำมันไม่จําเป็นจะต้องรักษาแล้วก็เลยยกเลิกไปแต่ยกเลิกโดยที่ไม่ไม่มีใครเขาม า, เ, าเห็นเห็นพ้องต้องด้วยยกเลิกไปด้วยด้วยด้วยการกระทําเนี่ยของคนที่อยากจะทําังนั้นก็เลยแบ่งเป็นสองฝ่ายเียฝ่ายที่ไม่อยากจะจับเงินจับทองก็เลยไปเป็นธรรมยุทธ์กัน ไปที่อยากจะจับเงินจับทองก็ไปเป็นมหานิกายกันคำถามจากคุณลัดดาความสงบอาการเป็นแบบไหนคะต้องทําดูถึงจะรู้จะบอกยังไงเหมือนก็ว่าสีเขียวเป็นยังไงถ้าไม่ลืมตามันจะรู้ไงใช่ไหมดึงตาดูด้วยดึงตาก็จะเห็นว่าสีเขียวเป็นยังไงอธิบายสีเขียวให้เราฟังหน่อยด้วยอมลองอธิบายสีเขียวมันเป็นยังไงมีคําอธิบายไหมนะ ตามสงบมันเป็นไงก็เหมือนกันแต่จะอธิบายไงเมื่อคนไม่เคยเห็นความสงบมันก็ต้องทําให้มันสงบสิต้องทําให้มันใจมันสงบแล้วมันก็จะเห็นเองถ้าจะเปรียบเทียบก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเวลามีพายุกับไม่มีพายุเนี่ยเป็นยังไงเวลามีพายุมันเป็นยังไงฮะแต่เวลาไม่มีพายุมันเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นแหละเวลาสงบก็เหมือนกับเวลาไม่มีพายุทุกอย่างนิ่งทุกอย่างสบาย เวลามีพายุนี่โอ้ทุกอย่างปั่นป่วนไปหมดจิตก็เหมือนกับาพายุนี่แหละเวลาจิตไม่สงบก็เหมือนมีพายุเนีเวลาจิตสงบก็เหมือนกับพายุหายไปคำ ถ, ถามจากคุณอนงนะัดขณะเดินจงกรมพิจารณาร่างกายไปด้วยได้ไหมเจ้าคะได้การพิจารณานี้พิจารณาได้ทุกแห่งทุกคนทุกเวลายกเว้นเวลาที่อยู่ในสมาธิเท่านั้น ได้อยู่ในสมาธิห้ามพิจารณาในสมาธิให้ประครับประคองความสงบให้นานที่สุดให้รักษาอุเบกขาไว้ให้นานที่สุดเพราะมันจะเป็นกําลังยิ่งยิ่งสงบได้นานอุเบกขายิ่งจะมีกําลังมากเวลาออกมามันจะได้เฉยกับสิ่งต่างๆได้ในเวลานั่งสมาธิห้ามพิจารณาแต่ออกจากสมาธิมาแล้วอยากจะพิจารณาได้อยากจะพิจารณาอาะไรพิจารณ า, า, าได้หมดเลย พิจารณาไปทางใตยลักนะพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอย่าไปพิจารณาว่าเป็นสุขเป็นของเรานะอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการพิจารณาเป็นการเป็นการหลงถ้าไปเห็นว่าไอ้นั่นเป็นของเราไอ้นี่เป็นของเราไอ้นี่ดีไอ้นั่นดีเนี่ยแสดงว่าหลงละเพราะของทุกอย่างในโลกนี้มันทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่มันต้องเสื่อมมันเป็นของชั่วคราว มันไม่ใช่ของเราเพราะเราเอาติดตัวไปไม่ได้มันจะต้องจากกันไปสักวันหนึ่งถ้าจะคิดอย่างนี้คิดได้ตลอดเวลาเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิแต่เวลาอยู่ในสมาธิห้ามคิดคําว่าจิตสงบแล้วค่อยออกทางปัญญานี่หมายถึงว่าปิดสงบแล้วออกจากสมาธิมาแล้วแล้วค่อยคิดค่อยไปทางปัญญาคำถามจากคุณจูน ถ้าเดินจงกรมจะเกิดตัวรู้ได้หรือไม่คะก็รู้ได้ถ้าอยู่กับพุโทโธอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆพอความคิดหายไปก็จะเกิดตัวรู้ที่รู้ว่ากำลังเดินจงกรมอยู่คำ ถ, ถามจากโรงงานอุตสาหกรรมถ้าเราแชร์เพจของพระอาจารย์ให้คนอื่นๆเห็นเยอะๆเป็นการเผยแพร่ศาสนาไหมครับและจะได้กุศลเหมือนแจกหนังสือหรือไมค่ครับก็ได้เพราะว่า เพจนี้มันก็เพจธรรมะใช่ไหมใครเปิดมาดูก็จะได้ดูธรรมะก็เป็นการาเผยแผ่ศาสนาธรรมศาสตร์คสอนของพระพุทธเจ้าคาถามจากคุณกิตตวันโยมบริจาคโลหิตมาตั้งนานหลายปีแล้วคุณแม่จะบ่นเสมอไม่ให้ไปบริจาคมาปีนี้แม่สั่งห้ามเด็ดขาดไม่ให้ไปโยมอยากแอบไปบริจาคจะแบบ ฝืนคำสั่งแม่หรือเปล่าคะฝืนฝืนคำสั่งที่ไม่ดีไม่เป็นไรคำสั่งที่ไม่ดีนี่ควรจะฝืนถ้าแม่บอกให้ไปขโมยเงินนี่ต้องฝืนนะอย่าไปทำแต่แม่บอกว่าไม่ให้ทำบุญนี่ก็ต้องฝืนนะถ้าเราจะทำเพราะว่าการกระทำที่ดีมันไม่มีเสียหายมไม่มีโทษกับใครคาถามจากคุณกรุงจินผมนั่งสมาธิแล้วจิตจะดิ่งลงไปเหมือนลงเหว แต่ได้กลับมจาจับนิมิตอื่นไปจึงขอคําแนะนำพนระอาจารย์ปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับ อ, อ๋อเร่งมันกลับมาให้มันอยู่ในเหวอย่าปล่อยให้มันออกไปเวลามันดิ่งลงเหวแล้วมันนิ่งแล้วก็พยายามประครับประคองไว้ให้มันอยู่ในนั้นถ้ามีนิมิตมีอะไรออมาก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้ให้อยู่กับสักแต่ว่ารู้อยู่กับความว่างไปอย่าไปสนใจคําถามจากคุณนก เมื่อนั่งสมาธิกาหนดลมหายใจแล้วรู้สึกหายใจเข้าออกยากตื้อๆเหมือนจะไม่หายใจทำอย่างไรคะถ้าไม่ถูกกัหนดลมก็ใช้พุโทโธไปทองพุโทโธพุโทโธไปแทนแทนที่จะอยู่กับลมอพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องดูลมเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อย่าเอาทั้งสองอย่างไม่ต้องพุทเข้าโทออกเข้าใจ จะดูลมก็ดูลมอย่างเดียวเลยดูเฉยๆดูกําลังหายใจเข้าหายใจออกแต่ไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปควบคุมสั่งให้ลมหายใจยาวหรือสั้นดูเฉยๆเหมือนตอนเนี้ยตอนนี้เราไม่ได้ไปยุ่งกับลมใช่ไหมมันหายใจยังไงก็ปล่อยมันหายใจอย่างนั้นเพียงแต่มาดูมันว่าเออตอนนี้มันหายใจเข้าหรือหายใจออกท่านเองไม่ต้องไปควบคุมบังคับมันถ้าทําไม่ได้มันไม่ถนัดก็ ท่องพุทธโธไปก็ได้เอาพุทธโธอย่างเดียวไม่ต้องไปไม่ต้องไปยุ่งกับลมไม่ต้องไปสนใจกับลมถ้าอยู่กับพุทธโธไม่ได้อาจจะอยากจะสวด ย, ยาวๆก็สวมดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดอิติปิโสสวดอะไรไปก่อนเพราะบางทีใจมันคิดมากมันจะให้อยู่กับเรื่องเดียวมันไม่ยอมอยู่ก็ให้มันอยู่กับการสวมดมนต์ไปสวมดมนต์ไปมันก็พอสวดไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะความคิดก็จะเบาลงไป บาลงไปแล้วมันก็มันก็อยากจะหยุดสวดพอหยุดสวดเราก็มาดูลมได้เริ่มาพุโทโธได้คําถามจากคุณปาตาคําว่าไม่ให้หยึดมั่นถือมั่นกรณีนี้ในเรื่องของสัจจวาจาถือเป็นการยึดมั่นถือมั่นไหมครับเช่นเคยกล่าวกับญาติพี่น้องไว้ว่าเราจะไม่ขายสมบัติที่เป็นของคุณแ้่เราจะต้องไม่ขายตามที่พูดไหมครับแต่ถ้าเรา ต้องการจะขายเพราะเอาไปลงทุนที่จะได้ผลเพิ่มปูนหรือมีกําไรขึ้นมาคือไม่ได้ขายกินแบบนี้เราจะเสียสัจจะที่เราเคยกล่าวไว้ไหมครับและขอให้พระอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องการมีสัจจะให้ฟังหน่อยครับก็สัจจะก็เหมือนกับการทําสัญญาเป็นทําสัญญาว่ญญาวฉันกับเธอจะอยู่กันไปจนวันตายอันนี้ก็เรียกสัจจะถ้ายังไม่ตายก็จะอยู่กันต่อไป ถ้าแยกกันก่อนตายก็สแสดงว่าไม่มีสัจจะพมแล้วใช่ไหมคาว่าคำยึดมั่นถือมั่นนี้มันไม่ได้หมายคมว่าจะต้องอคำว่ายึดมั่นถือมั่นนี้หมายถึงให้ยึดในเรื่องที่เป็นอมันไม่ดีไม่ควรจะไปยึดมั่นถือมั่นหรยึดกับของที่ไม่ใช่เป็นของเราอ่างนี้ เป็นร่างกายนี่มันไม่ใช่ของเราอย่าไปยึดไปถือมันว่าเป็นของเราแต่ของที่ดีนี่ต้องยึดพ<ม>ระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ดีต้องยึดไว้เป็นสารนะเป็นที่พึ่งคุณธรรมอันดีงามต่างๆที่ดีคนจะยึดเช่นการมีสัจจะนี่ก็ต้องยึดการมีศีลนี่ต้องยึด ท, ที่ให้ไม่ให้ยึดคือไม่ให้ไปยึดในสิ่งที่มันเป็นมันไม่ดีมันไม่มันเป็นโทษกับเราเช่นอย่าไปยึด การเที่ยวเป็นสารณะอย่าไปยึดการดื่มสุราเป็นสารณะ mm. ของพวกนี้คนอย่าไปยึด mm. ยึดแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจมันทําให้เราเป็นทุกข์ให้ยึดกับสิ่งที่ทําให้ใจเราเป็นสุข mm. ยึดกับการมีสัจจะยึดกับการมีศีลธรรม mm. อันนี้จะทําให้เรามีความสุขเวลาเรารักษาศีลได้เวลาเรารักษาสัจจะได้ mm. มีคำใหม่ใช่มไหมคำต่อ ต้องถามจากคุณวิรัติเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องพัดภาพ ค, คนที่เรารักครอบครัวเป็นความจริงที่แน่นอนเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรครับให้ให้ยอมรับเมื่อวันนั้นมาถึงก็ซ้อมก่อนไงไปอยู่คนเดียวก่อนไปวันวันหยุดทํา ง, งา น, นวินัยวลาว่างก็ขอลาบายไปอยู่คนเดียวไปอยู่วัดไปอยู่ที่ไหนคนเดียวอยู่เหมือนกับว่าเราเราไม่มีใครแล้ว เด็กไปทําอยู่คนเดียวไปเรื่อยๆต่อไปเวลาคนอื่นจากเราไปเราจะได้ไม่รู้สึกเดือดร้อนคําถามจากคุณกูลถ้ายายตายแล้วเราเอาเงินของยายมาทําบุญแล้วเราเจาะจงอุทิศให้ยายยายจะได้บุญไหมคะถ้าไม่มีลูกหลานยายคงใช้เงินทําบุญอยู่แล้วคะ่ะคือเงินของยายถ้ายายเอ่อ ถ้าตายไปแล้วเงินของยายก็ไม่ได้เป็นของยายแล้วก็เป็นของลูกหลานที่รับไปถ้าลูกหลานนำมาไปทำบุญแล้วอุทิศให้กับยายก็อุทิศได้แต่ยายจะรอรับอยู่หรือไม่ก็แล้วแต่ว่ายายต้องการรอรับอยู่หรือเปล่าถ้ายายทำบุญไว้มากยายก็ไม่มารอรับเพราะว่าบุญที่อุทิศไปให้นี้มันเป็นบุญที่เหมือนกับเงินที่ให้ขอทาน ถ, ถ้ายายเป็นเศรษฐีบุญยายก็ไม่ต้องมารอรับบุญเหล่านี้ยายไม่ได้เป็นขอทานยายก็ไปเที่ยวในโลกทิพย์แล้วไปอยู่โรงแรมห้าดาวไปกินอาหารห้าดาวแล้วก็ยายก็จะไม่มาขอขอเอาเงินของขอทานไปซื้ออาหารกินเพราะงั้นก็แล้วแต่อันนี้เราไม่รู้ว่าคนที่ตายไปแล้วเขาจะอยู่ในสถานภาพใดนอกจากว่าเราเห็นในปัจจุบันเนี่ย อย่างอามาเนี่ยรู้จักยายคนหนึ่งเนี่ยอายุเก้าสิบแปดล้วมั้งแกใส่บาตรมาตั้งแต่เรามาอยู่วันยานนะ่ะสามสิบกว่าปีแล้วแกใส่บาตรทุกวันเนี่ยอย่างนี้เราเคื่อได้ว่าแกตายไปเนี่ยแกไม่ต้องมาขอรับบุญของใครละแกทำของแกอยู่ทุกวันใส่บาตรทุกวันมา ต, ตั้งแต่ปีสองเจ็ดนนี่ห้าเก้าอ่ไทสามสิบสองปีแล้ว ใส่ทุกวันตอนนี้อายุเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าแล้วมันก็ยังใส่ได้คถ้าทําอย่างนี้รับรองได้ว่ามีบุญติดตัวไปแน่นอนคํถาถามจากคุณรัชราพรรักร่วมเพศบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกถ้าเขาเป็นคู่ของเราต้องเป็นคู่กันคือต้องถือว่าเป็นสามีเป็นภรรยากันถ้าอย่างนั้นก็ไม่บาปคำ ถ, ถามจากคุณต้น ขอคําชี้แนะจากพระอาจารย์ครับถ้าจะฝึกกระสินต้องทําอย่างไรบ้างครับและมีขั้นตอนอะไรบ้างครับกระสินเราก็ไม่เคยปฏิบัติเราถึงไม่ค่อยอยากจะพูดแต่ที่เราเข้าใจก็คือศินกระสินก็คือให้ให้เราเพ่งสีใดสีหนึ่งที่เราที่เราชอบเช่นเราชอบสีเขียวไปละเราให้นั่งหลับตาให้นั่งหลับตาแล้วก็ให้นึกถึงภาพสีเขียวขึ้นมา แล้วก็พยายามให้ให้ภาพสีเขียวนี้อยู่ในมโนภาพไปเรื่อยๆถ้ายังไม่เห็นสีเขียวก็เปิดดูภาพสีเขียวแล้วก็นึกถึงภาพที่เราเห็นด้วยตาให้มันมาโผล่ขึ้นในในใจเราแล้วก็พยายามรักษาสีเขียวนั้นให้มันอยู่ไปนานๆมันก็เหมือนกับการดูลมหายใจแทนที่จะดูลมหายใจก็ดูสีเขียวแทนเท่านั้นเอง นี่เราต้องสร้างมันขึ้นมามันยากกว่าการดูลมลมมันมีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปนึกมันขึ้นมาแต่ภาพสีเขียวนี่เราต้องนั่งหลับตาแล้วนึกเขียวไว้เขียวไว้เขียวอยู่ตรงไหนต้องนึกถึงใบบุกใบไม้ต้องนึกถึงอะไรแล้เดียวมันก็จะเขียวเต็มจอขึ้นมาแล้วก็พยายามให้มันอยู่กับเขียวไปเรื่อยๆแล้วจิตก็จะรวมได้คำถามจากคุณมีให้แคท แค่เท่านี้ทำไมได้ยินบางคนพูดว่าการนั่งสมาธิต้องมีพระนานั่งสมาธิทุกครั้งเพราะจิตเราจะหลุดจึงต้องมีพระอาจารย์จริงหรือไม่ครับไม่จริงหรอกเพราะว่าคนที่จะลุมจิตเราได้ไม่ใช่อาจารย์คือคนที่จะคุมจิตเราก็คือสติของเราแต่การปฏิบัติโดยไม่มีอาจารย์นี้มันอาจจะเสียหายได้เพราะอาจจะปฏิบัติไม่ถูกเรือปฏิบัติแล้วไปติดตรงไหน ถ้าไม่มีอาจารย์มาช่วยแก้มันก็อาจจะติดอยู่ตรงนั้นมันจะไปไม่ได้เการปฏิบัติต้องมีอาจารย์แต่ไม่ใช่มีอาจารย์มานั่งคุมเวลานั่งสมาธิอย่างนี้เวลาอยู่บ้านก็นั่งไม่ได้เลยต้องต้องไปนิมนต์อาจารย์มานั่งด้วยแล้วอาจารย์มีคนเดียวลูกศิษย์มีเป็นร้อยเ ง, งจะไปนั่งบ้านไหนดีเดี๋ยวไปนั่งบ้านนี้เขาก็หาว่าเลือกที่รักมักที่ชังหนิไม่หรอกเวลานั่งสมาธินี่คนจะนั่งคนเดียว ก็มีนั่งคนเดียวมันจะได้ไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจนั่งด้วยกันเดี๋ยวก็เกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้คนนั้นก็เดี๋ยวก็อายเดี๋ยวคนนี้ก็ขยับเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมารบกวนกันวิธีนั่งสมาธิจริงๆต้องนั่งคนเดียวเขาถึงบอกให้ไปปีกวิเวกก <Yeah. S 1> ายต้องวิเวกคือกายต้องสงบสงัดไม่มีอะไรมารบกวนร่างกายทางร่างกายแระใจจะได้สงบได้ง่าย yeah. เวลานั่งสมาธิจริงๆนี้ต้องไม่มีใครมานั่งด้วยนั่งคนเดียวพระพุทธเจ้าตัดสั้นี่มีอาจารย์มานั่งเฝ้าหรือเปล่าไม่มีฮะต่างคนต่างนั่ง ต, ตอนที่ไม่ตัดสั้มีปัญจาวัคคีมานั่งเฝ้าอยู่ท่านเลยไม่ตัดสั้นพอปัญจาวัคคีทิ้งไปปั๊บท่านก็นเลยไม่ต้องมากังวลกับปัญจวัคคีไม่ต้องมากังวล ก, ก, กับกองกองเชียร์เข้าใจไหมบางทีคนเล่นนี่มามาตกม้าตายเพราะกองเชียร์เนี่ย ก็เห็นเข้ามาเชียร์แล้วก็เลยเครียดใช่ไหมอยากจะอยากจะทำให้ดีมันก็เลยทำทาไม่ได้เอพอไม่มีกองเชียร์มันก็เลยเป็นธรรมชาติแล้วก็ทำไปของเราไม่ต้องมากังวลว่าเดี๋ยวกองเชียร์เขาจะผิดหวังหรือไม่ผิดหวังในเวลาปฏิบัติจริงๆต้องต้องเปดกวิเวกต้องทำคนเดียว เ, เวลามารวมกันก็เฉพาะเวลามาฟังเทศฟังธรรมหรือมาทากิจกรรม เช่นรับประทานอาหา ร, หรอะไรทัรร้งนั้นเราถึงมารวมกันแต่เวลาไปนั่งสมาธิเดินจงกรมนี้ต้องแยกกันทําอย่าไปทําพร้อมกันทําพร้อมกันมันไม่ค่อยได้ผลนะแต่สําหรับคนที่ใหม่ๆยังไม่รู้จักวิธีนั่งวิธีเดินก็อาจจะมามาเรียนพร้อมกันได้แต่พอถึงเวลาปฏิบัติจริงๆควรจะแยกกันหมดแล้วยังอีกสองคถามอ่าได้คำถามจากซูฟนอร์ เวลานั่งสมาธิแล้วสงบรู้สึกตัวเองหมุนรอบตัวเองในท่านั่งคืออะไรครับก็ยังไม่สงบนะถ้าสงบจริงๆมันจะไม่หมุนมันจะเน่งทุกอย่างจะเน่งหมดคำถามจากคุณชีการทําบุญและอุทิศบุญจําเป็นจะต้องเลือกนาบุญมิฉะนั้นจะส่งไปให้ผู้ตายจะไม่ถึงใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกบุญที่ทํากับใครก็ส่งได้หมดทํากับหมากับแมวทํากับคนทํากับพระนี่ก็เป็นบุญเหมือนกัน บุญนิวทิดได้เหมือนกันเอ้ยที่ให้เลือกเนื้อนาบุญนี่เพื่อจะได้ธรรมะของแถมเอนอกจากได้บุญแล้วได้ของแถมเนื่วันเนี้โยมาทําบุญแล้วยังได้ธรรมะกลับไปเอถ้าไปทําบุญกับหมามันก็ไดแต่เสียงเห่าๆฮ้องๆกับใจเอเ อ, เอมาทำบุญกับพระพระก็เห่าธรรมะให้ฟังก็ได้ธรรมะกลับไปเอถ้าอยากจะได้ธรรมะก็ต้องเลือกเนื้อนาบุญเพราะเนื้อนาบุญอยู่ที่พระ แต่ถ้าอยากจะได้บุญเฉยๆบุญอุทินนี่ไม่ต้องไม่ต้องเลือกทํากับใครก็ได้ทำกับพ่อกับแม่ก็ได้ทําทำอะไรให้กับพ่อกับแม่แล้วก็อุทิศให้คนตายได้เหมือนกันหมดแล้วใช่ไหมเลยข้อนี้พอนะเหนื่อยแล้วก็เอาไว้พรุ่งนี้ก็รับการงานที่มาก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด